มาสุขภาพไม่ค่อยดีดเท่าไหร่ที่ปัญหามาหลายวันแนะ <c oughs> ต่ก็ห่วงโยมนะ ให้กำลังใจกันเชินโยมขยันทำดีพระท่านก็ขยันขยัน ตามนะร่างกายสังขารเนี่มันเป็นของที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมามันก็สูญสลายไปตามการสิ้นเหตุปัจจัยของมันมันมีเกิดก็มีดับเป็นธรรมชาติ เมื่อไหร่ที่เรารักสังขารน น, น, นี่ก็คือเรารักความทุกข์นั่นแหละเมื่อไหร่ที่เรายินดีในตาหูจมูกลิ้นกายชื่อว่าเรายินดีในทุกข์ เราชอบความเปลี่ยนแปลงเราหลงในความเปลี่ยนแปลงหลงในความตั้งอยู่หลงในความดับไปของสังขารทั้งหลายทั้งปวงตาไม่เที่ยงหูจะหมกเล่นกายไม่เที่ยงแต่เราก็หลงชอบมันหลงติดหลงยึดเราไม่คลายใจเรา เพราะเหตุว่าคนทั้งหลายทั้งปวงมีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นอวิชชามันกั้นเอาไว้กัน้นแมตดวงตาปัญญาเรามองทะลุไปเห็นสัจธรรมนอกจากมีอวิชชาคือการไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงเป็นเครื่องกัน้นก็ยังมีตัณหาคือความอยากในกาม อยากในพบอยากในวิพบนะความใคร่ในกามความพคร่ในความอยากมีอยากเป็นนะแล้วก็ความเบื่อเ <c oughs> <c oughs> บื่อนหน่ายในความที่อยากมีอยากเป็ น, นอยากเป็นโน่นเป็นนี่อยากไม่เป็น วันวันหนึ่งจิตเราก็ติดอยู่ประมาณเนี่ยพ่อไม่รู้แจ้งแล้วก็ถูกผูกไว้เหมือนวัวมันควายที่ถูกล่ามโซ่วิ่งไปทางไหนก็ไม่ได้ต้องไปตามตามที่เชือกเขาผูกเอาไว้ดัง น, น, นั้นเราจึงไม่พยายาม จะสร้างความรักขึ้นกับกายกับสังขารนันนี้จะเปรียบเหมือนเรือเหมือนยานเหมือนพาหนะบุคคลใดที่สามารถรู้ทำเห็นทำเข้าถึงธรรมได้สิ้นทุกได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกว่าคนมี นมามกายที่ดีมีกายนี้มีร่างกายนี้มีชีวิตที่ประดุจดังรถที่เล่นดีรถที่มันเครื่องยนต์ดีรถดีรถเก่งรถที่มีพอร์สูง รถคันนี้ก็ไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องร้อยรัดมันมันไม่ได้บรรทุกอะไรมันเป็นรถเปล่าแล้ววิ่งอย่างไวรถคันนั้นย่อมไปถึงเป้าหมายได้รถคันนั้นมีเฟืองล้ออันเดียวไม่มีมากมายหลากหลายนมีแต่เฟืองของสติสัมปชัญญะ หมุนไปข้างหน้าในธรรมะจากกวัตนาสูตรเขากล่าวหมายถึงตัวกงล้อของการเคลื่อนที่ออกจากทุกนั่นคือธรรมะจากธรรมะจากคือเฟืองล้อนะมุนออกจากทุก ถ้าเราจเจริญสติฟันเฟืองมันจะเริ่มหมุนไปเราเห็นไหมเวลาเราคิดเราปรุงแต่งกิเลสตัณหามาผูกพันมาร้อยรัะจิตใจเราเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกตัวเนี่ยเราจะพยายามที่จะหมุนล้อหมุนเฟืองซึ่งบรรทุกจิตที่นั่งอยู่ข้างบนนั้นออกไปให้ห่างไกลจากความปรุงแต่ง เมื่อมันคิดมาเมื่อไรแล้วก็ตัดออกไปคือเราพยายามที่จะแหวกออกไปเรื่อยๆแหวกออกทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งนั่นแหละเรากําลังเดินทางออกจากทุกโดยใช้สติเป็นฟันเฟืองเป็นยานวิปัสนาเราไม่ให้ทุกไม่ให้กิเลสตัณหามาครอบงําจิตใจเราเราพยายามถีบตัวเองออกไปเรื่อยๆเรื่อยพยายามระลึกรู้อยู่เรื่อยๆ ถ้าไม่บ่อยจนทั้งวันหนึ่งอะชีวิตของเราก็จะเริ่มเห็นแสงสว่างปรากฏเกิดขึ้นณจุดใดจุดหนึ่งที่สอดส่องเข้ามาในใจเราแสงสว่างนั้นอาจจะเล็กน้อยคำว่าแสงสว่างเนี่ยหมายถึง ความสว่างทางใจเหนะมือนแสงธรรมแสงธรรมคือแสงธรรมชาติปกติจิตรเราเนี่ยมันอยู่ในความปรุงแต่งปกคลุมด้วยตันหาด้วยทิฏฐิด้วยความคิดนะความหวังมากมายหลากหลายซับซ้อนอยู่ในใจแต่ว่าหนึ่งพอเราจเจริญสติเกิดเห็นถูก เกิดเข้าใจถูกจิตมันเกิดการปล่อยวางได้ก็จะเกิดสว่างที่กลางใจแสงสว่างที่ศาสตร์ส่องเข้ามาเนี่ยก็คือการเห็นพื้นที่ว่างของใจนะว่าใจมันเป็นยังไงบางคนเห็นน้อยเดียววินาทีหนึ่งสองสามวินาทีบางคนหนึ่งชั่วโมงบางทีห้านาทีสองนาทีสามนาที ก็แล้วแต่ก็ถือว่าเริ่มมีแสงสว่างมันสอดเข้ามาในใจนั่นแสดงว่าเราเริ่มเห็นทางแล้วเราเห็นหลวงพ่อเทียนเวลาท่านเดินพายมเดินในซีดีเดินอ้อมไปอ้อมไปอ้อมไปในที่สุดก็ไปสะดุดตรงประตูเพราะว่าตรงประตูมันมีแสงจากข้างนอกเล็ดลอดเข้ามาหน่อย พอมีแสงสว่างจากขนดเลรดเข้ามาท่านก็ผลักประตูดันดันดั น, ดนตัวไหนที่มันมีแสงสว่างเขาจะดันตรงนั้นะจะพยายามหยุดตรงนั้นเพราะรู้แล้วว่าตรงนี้มีสว่างแน่นอนถ้าดันหนกไปได้เพราะมันมีช่องเหมือนเราไปติอยู่ในถ้าที่ใดที่หนึ่งแล้วเราจะมองเห็นแสงสว่างมาสาดเข้ามาความหวังเกิดขึ้นทดดีกับชีวิตอันเนี้ยฉะนั้ก็ดีเราปฏิบัติทำว่าเป็นแบบนั้นเมื่อไหร่ที่ สติสัมปชัญญะทำหน้าที่เจาะแทงทะลุความคิดยิเดตันหานิวรธรรมทั้งหลายที่มันปกคุมใจเราได้อาจจะมีแสงสว่างในน้อยความโล่งความโปร่งในน้อยศาสต์สองเข้ามาเนี่ยเราพยายามที่จะจุดหาจุดนั้นให้ได้แต่บางคนก็เดินเลยไปเลยมา หาจุดเดิมไม่เจอเมื่อไหร่ที่ท่านหาจุดเห็นแสงสว่างในน้อยสาสตร์ส่องเข้ามาในใจพยายามอยุดตุนนั้นนะ่ยเราระลึกได้ว่ามันมีความสว่างแถวเนี้ยแต่เราก็หลงอีกนะเพราะว่าความชนานาญในการเดินในการหาเนี่ยเราไม่ชนานาญมันก็จะผิดพลาดบ่อยๆแต่อย่างน้อยเราเริ่มรู้ละตรงจุดนั้นนะ่ยมันมีความสว่างพอเห็นความสว่างตรงนั้นนะ ศรัทธามีเท่าไหร่เต็มที่วิริยะสติสมาธิคือศรัทธาในศรัทธาที่จะปล่อยวางนะศรัทธาพยายามที่จะวางวางความคิดความปรุงแต่งวางความหวังอดีตนะคนที่มันผูกมัดเราเนี่ยวางมันลงให้มันกองไว้ให้ได้ให้มันเบาแล้วตัวเราให้มันเล็กลงเล็กลงได้ลงจยนสามารถทะลุรูั น, นั้นออกไปได้ ขวารูรูรูที่เข้าไปสู่พระนิพพานจะเล็กกว่ารูเข็มเขาบอกทางเข้าสู่พระนิพพานเล็กกว่ารูเข็มคือเมื่อไหร่ที่เราไม่มีตัวตนเมื่อไหร่ที่เราปล่อยวางได้เมื่อไหร่ที่เราอยู่กับปัจจุบันเป็นระลึกรู้อยู่ได้เราจะทะลุอันนั้นเข้าไปได้เข้าไปในรูนั้นได้แต่เมื่อไหร่ที่เรามี ถึงแม่ไม่เราไม่เอาอะไรมานะีไม่มีเงินทองเข่าของไม่มีนูนไม่นี่แต่ถ้าหากว่าเรายังมีความคิดอยู่ก็หนักความคิดจิตนี้ขันห้าอันนี้บรรทุกของมาหนักอึ้งเลยพาราหาเวปัญจักคันธาขันดังห้าเป็นของหนักเนื้อเนี่ยเราแบกเข้าไปสะพายเข้าไปมันก็ไม่สามารถที่จะทะลุไดนะ้เรามาด้วยความวุ่นความเหงานะ เราก็ยังหลงทางอยู่แสงสว่างที่ส่องสาส่งนำทางเนี่ยมันไม่ชัดเจนนั้นเราต้องเอาสิ่งนี้ออกและททำตัวให้มันน้อยที่สุดอย่าวิตกกังวลอย่าห่วงอดีตอนาคตใจนี้ไม่มีอะไรกายนี้ก็ไม่มีอะไรถ้าเราเยินเยินยืนอยู่ณนะจุดที่เราอยู่เนี่ยเราสังเกตไหมมีแต่ความทุกข์บีบรัด มีแต่ตัณหาตัวกูของกูกัดเราทุกวันทุกวันมีแต่ทุกข์ทุกทางกายก็เสื่อมสลายสังขาตรตลอดเวลาทุกทางจิตก็หลงคิดหลงปรุงแต่งมีความคิดความอยากผูกพันอยู่อย่างสม่ำสเสมอไม่ออกสามารถออกได้นั้นยืนอยู่ที่เดิมไม่ได้ละเราต้องหนีข้ามไปฝั่งโน้นให้ได้ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่ตามมาเนี่ยสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นภาวะที่ประกอบขึ้นจากตัวตนเมื่อมันมีตัวตนมันตามเราไปไม่ได้ตัวเราเองก็ต้องตัวให้มันเล็กไม่มีตัตาไม่มีตั ว, ม, ตวมีตนไม่มีอะไรมาผูกพันคันถะ้าเราสละปล่อยวางทําให้มันเบาเบารปูปก็ยให้มีอุปท า, านอย่าไปยึดติด เวทนาทั้งหลายอย่าไปยึดมันเจ็บปวดเมื่อยร้อนหนาวทำใจดูเฉยๆลองดูดิใจไม่ผูกพันหลงริษัญญาความจำอดีตอนาคตวางเป็นไหมสังขารความคิดความปรุงเราเฉยกับมันเป็นไหมวิญญาณการรับรู้ รู้อันนั้นรู้อันนี้รู้แล้วอย่าปรุงได้ไหมสักแต่ว่ารู้นะให้เป็นวิญญาณที่มันบริสุทธิ์รับรู้แบบบริสุทธิ์จักขวิญญาณโสตะวิญญาณฐานะทิวหากายวิญญาณมโนวิญญาณรับรู้ผัสสะแล้วปล่อยวางเฉยๆคือไม่เข้าไปปรุงแต่งมันนะให้มันเป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์ ถ้าวิญญาณเระบริสุทธิ์เราก็สามารถแทงทะลุเข้าไปในรูเข็มนั้นทะลุไปสู่ดินแดนแ่งผนิพานซึ่งมารทั้งหลายที่ตามมามันเข้าไปไม่ได้เพราะมารนี่มันเป็นภาวะที่มันเป็นตัวเป็นตน <c oughs> เราจะเห็นว่าเขาวาดภาพเรื่องของมารี่ตัวตนมันใหญ่มากมีเหมือนยักษ์เหมือนเปรตเหมือนจโจรอเคเหมือนผี เหมือนงูมีสิ่งดุร้ายนาน า, นานชนิดนะแต่มันเกิดจากการปรุงแต่งขึ้นมาพอจิตเราเข้าไปอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์มันก็ตามไปไม่ได้เพราะดินแดนนั้นมันไม่มีอะไรปรุงแต่งกิเลสทั้งหลายมันอยู่ได้ด้วยความปรุงแต่งนะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงอยู่ได้ด้วยความปรุงแต่งอยู่ได้ด้วยความยึด ถ้ามันไม่มีอาหารมันไม่มีอะไรกินนะ่มันก็ดับไม่มีง่วงให้มันไม่มีเบื่อให้มันไม่มีฟุ้งซ่านที่สาคัญก็คือความไม่รู้นะมันไม่มีแล้วปรากฏต่างทานทุกอย่างที่ปรากฏกขึ้นเรารู้หมดนะเป็นสัพพัญญูรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับจะเป็นเครื่องมือให้กับทุก อะไรที่จะเป็นทุกข์เนี่ยเรารู้เห็นเข้าใจวิญญาณมีความรู้แจ้งอยู่อย่างสม่ำเสมออะไรมาก็รู้ทันอะไรมาเราก็รู้ทันแล้วจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องมือของามารมารมาจากไหนมาจากตาหอ้จมูกลิ้นกายใจ ที่กระทบผัสสะกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์ตากระทบรูปถ้าสติไม่มีเรารู้ไม่เท่าทันจิตมันก็จะปรงไปตามสัญญาเดิมๆหูกระทบเสียงพอไม่มีสติไม่มียานนะสัมปยุตกับการผัสสะอันนี้ ไม่มีสติที่เข้มแข็งพอเนี่ยมันก็จะปรุงแต่งไปตามสัญญาเดิมๆ <c oughs> สัญญาคือความจำเดิมๆเดิมจะโมกเล่นกายใจผัสสะจะมีอุปท า, านไปตามสัญญาเดิมๆกระทบปุ๊บมันก็เกิดความจำในอดีตว่าอันนี้คือดีไม่ดีชั่วถูกผิดตัวกูของกูขึ้นมาไหลไปทมกระแส อุปทานมันเกิดเพราะเราไหลไปทำสัญญาเดิมแต่นี้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาค้นหาสัญญาตัวใหม่ไม่ใช่สัญญาเดิมสัญญาเดิมของจิตเรากับเป็นสัญญาตัวใหม่ของพระอริยะ แต่สัญญาตัวใหม่ของภริยะกลับเป็นตัวสัญญาเดิมในจิตเรานั่นหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่กับ น, นิจจะสัญญาเที่ยงสุขสัญญาพอกระทบเป็นความเที่ยงเป็นความสุขสุภาสัญญาเป็นความงามเป็นความเกิดนะไม่ใช่ความดับ เป็นความมีตัวตนเป็นอัตตะสัญญาคิดอะไรก็เป็นเรื่องของกูตัวกูของหมู่กูเป็นตัวกูเป็นของกูเป็นความเกิดเป็นความเที่ยงเป็นความสุขเป็นความหลงเราจะเข้าไปกับภาวะอันนั้นทันทีจิตเราเนี่ยเพราะมันยังไม่มีปัญญาเห็นอะไรตามความเป็นจริงมันก็จะไหลไปสู่สภาวะแบบนั้น นี่สัญญาตัวใหม่ที่จิตเราซึมซับแล้วกลายเป็นสัญดาดั้งเดิมสัญญาดั้งเดิมติดยึดออกไม่ได้แม้มันปรุงมันก็ปรุงเพราะมันไม่รู้เท่าทันมันไม่รู้จักทุกข์ปฏิบัติทำในกว่าเราจะรู้จักคําว่าทุกข์จะรู้จักว่าความคิดเป็นทุกข์ยากมากส่วนมากคนไม่คิดว่า ความคิดเนี่เป็นทุกข์คนจะคิดว่าความคิดเนี่ยเป็นความสุขคนไม่คิดว่าความคิดนี่เป็นตัญหาคนคิดว่าความคิดนี่เป็นปัญญาเห็นว่าความคิดนี่เป็นปัญญาเลยพยายามที่จะคิดหาถ้าไม่คิดก็เหมือนไม่มีปัญญาคือทางโลกเป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อคิดสวนกระแสกับอริยะญาธรรมเนี่ย จิตนี้จึงมีความหลงผิดอยู่ใบๆเรากลัวงโง่ก็เลยคิดหาเยอะๆก็เลยยิ่งโง่เข้าไปหนักแต่คนทั้งหลายทั้งปวงเวลาเขากลัวงโง่เขาไม่กลัวความที่จะงโง่ไม่คิดกระช่างหัวมั น, นรู้สึกเฉยๆดูไม่ได้เฉยๆกลับเป็นคนฉลาดทะลุไปสู่โล ก, กุตระทำโล ก, กุตระปัญญา ได้ปัญญาที่จะอยู่เหนือโลกปัญญาที่อยู่ห่างไกลจากโลกนี้คือโลกียะธรรมเนี่ยโลกียะวิสัยเนียจิตมันอยู่เหนือทุกมันก็ไม่ปรากฏทุกมันก็ไม่เกิดมองอะไรเป็นเป็นทุกมองอะไรเป็นทุกขเป็นทุกขสัญญา สัญญาสิบประการเป็นทุกขสัญญามองอะไรหเห็นเป็นนิโรธทัญญาทุกอย่างเป็นความดับเกิดแล้วก็ดับถ้ามันไม่ดับเรามีความระลึกรู้ว่ามันต้องดับนั่นเราก็ทำความเพี่ยนอย่างท่านทั้งหลายเดินสู้กับอารมณ์หรือนั่งเจริญสติดูมัน เราอยากดูความดับของมันเพราะเรารู้อยู่ว่ามันมีเกิดมันก็มีดับที่มันไม่ดับเพราะอะไรเพราะจิตมันยังมีความหลงผิดติดอารมณ์อยู่ไงพอจิตมีความหลงผิดติดอารมณ์มันก็ต้องปรงใบตามกระแสะตามกระแสะของความหลงผิดที่ว่ามันมีมันเป็นเมื่อไหรที่เรารู้สึกตัวเราก็ถอนตัดตาตัว ต, วตวนถอนความรู้สึกออกมามีแต่สติจิตว่าง ไม่อะไรมาพัวพันกับจิตเราไม่อะไรมาคลุกเคล้าใจมันว่างว่างเฉยๆก็ไม่เป็นพลังที่จะไปผลักดันให้ตัวปรุงแต่งมันทํางานตัวอวิชามันทํางานมันกระดับได้มันก็เป็นนิโรธทสัญญาขึ้นมาในน้อยแต่มันยังไม่เป็นถาวรแต่ก่อนเห็นอะไรเป็นความ สวยความงามเห็นเนื้อหนังผมขนเล็บฟันหนังเห็นธรรมชาติเห็นสิ่งเห็นของมีแต่จะเอาจะมีจะเป็นบางที น, นั้นก็ถูกกิเลสอันนี้ก็ถูกกิเลสแต่จิตของโยคาวาจรผู้ใฝ่ทมผู้ระลึกรู้ผู้เฝ้าดูเนี่ยเราเห็นแล้วก็เฉยถ้าเฉยได้ก็เฉยถ้าเฉยไม่ได้นมันยังมีอยู่ก็พยายามระลึกอยู่เสม อ, อวันนี้เป็นอสุภะ เป็นอสุภะคือของไม่งามมันไม่ได้งามมันไม่ควรที่จะไปเป็นเจ้าของเพราะเมื่อไหรที่เราเห็นผิดเรารักรูปรสกลิ่นเสียงอันนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อไหรเรารักตัวเราเมื่อไหรก็เรารักความทุกข์นะรักรูปรสกลิ่นเสียงก็คื อ, ค อ, คอรักสภาวะทุกข์ขังอันนี้จังนต า, าเมื่อไรเราก็ต้องทุกข์เมือ น, นั้นเราจึงเห็น ร่างกายสังขารนี้เป็นเพียงสภาวะธรรมที่มันคงอยู่ในน้อยแล้วก็เ ข, า เ, ขาเสื่อมสลายอยู่อาจจะเป็นแบบปัจจุบันทันด่วนที่เรียกว่าอุปติเหตุหรืออาจจะค่อยๆเป็นค่อยไปกระไดแต่สัจธรรมของมันก็คือเปื่อยผุพังเหมือนเราเลี้ยงลูกที่เกิดมาเป็นโลกเบาหวานรู้ตั้งแต่พันพ่อพันแม่มันนั่นแหละ เหมือนเรารู้ว่าโรคของเราเป็นลูกมะเร็งเหมือนเรารู้ว่าโรคของเราเกิดมาเนี่ยเป็นโรคเอชไอวีเราจะมีความรักเขาไหมมีความอยากทะนุถนอมไหมจิตมันเหนื่อยหน่ายอย่างน้อยก็เจ็ดสิบแปดสบอร์ซ็วรู้ทันทีว่ามันต้องตายรู้ทันทีว่าชีวิตอันนี้ต้องทรมานนะ เราจะรักลงเหรอไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งผู้สาวคนหนึ่งผู้บาวว่าวคนหนึ่งเนี่ยเราจะเอาไหมเราจะไม่เลือกเอาคนที่ดีกว่าเหรออีกคนหนึ่งเป็นคนที่เที่ยงสุขภาพดีแข็งแรงสามารถสร้างฐานะครอบครัวอะไรให้เราได้อยู่ด้วยอย่างไม่มีทุกข์คือสัจ ธ, ธรรมครับอีกคนหนึ่งกําลังจะ มั่ยเปียกเสียขาได้โรคร้ายทําลายตัวเองตลอดเวลาจะตายจะเผาวันใดวันหนึ่งก็ยังไม่รู้ในขณะเดียวกันก็เสื่อมไปด้วยสภาวะภูมิต้านทานไม่มีเขาไม่มีภูมิท้านทา น, ทานโรคจิตก็คล้ายๆกันนะ่างกายนี้เราเกิดมาเราก็เห็นมีปัญญาเห็นว่าร่างกายเป็นแบบนั้นเสื่อมด้วยโรค พิจรารณาดูดีๆสงามตรงไหนชีวิตนี่ทำไมเราหลงจังอะหลงรูปหลงเสียงมันไม่ออกมันไม่ปล่อยไม่วางโดยเฉพาะกามติดมีความใคร่สลัดไม่หลุดเราชอบมไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามนะ ทงตาทางหูทางจมูกอาการ32ในร่างกายในสังการเราเปอยผุพังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาลเราเฝ้าดูทีละอันสิแค่ผมเนี่ยก็นเน่าอยู่ตลอดเวลาเหม็นขนเล็บฟันหนังเสื้อผ้าไม่ได้ซักไม่ได้ดูแลแค่ ชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งก็แทบตายแล้วแต่ทำไมจิตเราจึงไม่ถอนถอนความพอใจไม่พอใจในสิ่งที่มีที่เป็นเนี่ยออกมาเพราะอะไรเพราะว่าจิตเราหลงไงหลงอยู่ในสุภะสัญญาหลงอยู่ในความงามที่มันเป็นภาพหลอกตาลวงตา ที่เกิดมาจากความมีอวิชชาของเรานั่นเองเราไม่ได้เฝ้าดูอย่างละเอียดเราไม่ได้สังเกตอย่างจิตที่ไม่มีอวิชชาเราไม่ได้สังเกตจากจิตที่ไม่มีอคติไม่ได้สังเกตจากจิตที่ไม่มีตัณหาไม่ได้สังเกตจากจิตที่มีแต่ตัวรู้ล้วน ไม่มีความคิดความอยากที่รู้เฉยๆนี่มันเป็นยังไงเนี่ยเราไม่มีการรู้การเห็นปานนั้นนะมันจึงหลงปรุงแต่งสิ่งที่ไม่สวยกับสวยสิ่งที่ไม่งามกับงามสิ่งที่ผิดกับเป็นโทกท่า <c oughs> นที่ดีกับเป็นชั่ว อันที่เป็นอนิจจังกับเป็นนิจจังสิ่งที่เป็นอนัตตากับเป็นอาตตาไม่ใช่ของเราร่างกายนี่ก็เสื่อมสลายผุพังตลอดเวลามันไม่มีอะไรเป็นของเราเราก็ยังจะว่ามันเป็นของเราตัวเราเองยังผุพังเน่าเหม็นตลอดเวลาแล้วจะมีลูกมีหลานมีตัวกูของกูมีอะไรมาจากไหน ท่นทั้งหลายประคองชีวิตนี้อยู่พอรอดไปวันวันเท่านั้นเองทุกอย่างในร่างกายเสื่อมตลอดเวลานะดูแบบตามความเป็นจริงดูดิไม่เข้าข้างตัวเองถ้ามันยังข้างตัวเองก็แสดงว่าสติพลังในการกั้นนิวรณ์ที่เข้ามารบกวนจิตที่จะเห็นอะไตามความเป็นจริงเนี่ยมันไม่มีแสงสว่างมิอาจาศาสตร์ส่องเข้ามาในใจ จนกระทั่งสามารนมองเห็นว่าเอ้ยสุภานะอสุภานะทุกนะมันไม่เห็นทุกมันศาสตร์แวบเข้ามาหน่อยเดียวก็สาว่างหน่อยเดียวเราไปติดแสงสาว่างเมื่ทีนี่ติดโอภาสเราเอาจริงเอาจังกับความสาว่างในน้อยแต่ว่าความสาว่างนั้นไม่สามารถที่ตั้งอยู่ในระดับที่สามารถมองเห็นสาภาพธรรมทั้งหลาย <c oughs> ของชีวิตเนี่ยตามความเป็นจริงได้ เขาึอกว่าเออละอย่าไปติดอะไรทั้งนั้นอะไรที่เกิดขึ้นนี่ปล่อยวางแล้วกลับมา ล, ลึกรู้นี้เพื่ออะไรเพื่อมันสว่างสว่างให้มันดูให้มันเห็นให้มันสัมผัสอนสภาวะที่เรากําลังมัวเมาอยู่เนี่ยในทุกอัเนี่ยบอกความจริงมันคืออะไรนะนั้นเขาถึงไม่ให้ติดอาการของวิปัสสนูปกิเลธทั้งหลายทั้งปวง วิปัสสนุปกิเิศก็คือความยินดีความพอใจความหลงในสภาวะธรรมที่เกิดกับจิตเราในขณะที่เราทำวิปัสสนามันเกิดวิปัสสนาอ่อนๆขึ้นมาเนี่เหมือนจะรู้นะแต่จิตเราไปยินดีพอใจมางทีเราก็เหมือนคิดได้คิดเก่งคิดเป็นคิดธรรมะอะไรประมาณนั้นมันจะไหลไปตามนั้นเราก็มาอยู่กับความ ระลึกรู้เฝ้าดู <c oughs> ไม่เข้าไปในนั้นให้เห็นมันจริงๆว่ามันเป็นทุกข์จริงๆนะนอกจะเห็นความเป็นทุกข์แล้วก็เห็นเห็นความสว่างที่มันมีเนี่ยสว่างในใจจริงๆเห็นอนัตตาก็ให้เห็นจริงๆอ่ะ เห็นความดับไปของสังขารก็เห็นจริงๆจิตเราก็ทบทวนในสิ่งที่เราเห็นนี่มันดับแบบนี้เนาะมันเกิดแบบนี้นะทบทวนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาทำภาวะอันนี้มันต่อเนื่องเงนี้ทำไมมันจะไม่รู้แจ้งถ้าเราเอาใจใส่จริงๆเนี่ย สัญญาที่เป็นสัจจะสัญญาที่เป็นไปเพื่อนิพพิทาวิราคะนิพพิทาความเหนื่อยหน่ายวิราคะความคลายกำหนัดความสิ้นกำหนัดขัดเคืองเพราะเรามีความกำหนัดจิตจึงขัดเคืองนะเมื่อไรที่เราหมดความรักความขัดเคืองก็ไม่มีหรอกเพราะเราไม่ได้เห็นว่าเป็นเราหรือเป็นของเราอ แม้แต่ความคิดก็เหมือนกันทิฐิเราที่เราขัดแย้งกับคนนั้นคนนี้เพราะอะไรเพราะเราติดความคิดเราอะเรารักความคิดเราเรารักความเห็นเราอะเราก็เลยเป็นทุกข์ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเดินโยกลมสร้างจังหวะที่มันไม่เห็นทำเพราะอะไรเพราะเราเดินไงเราเอาตัวเราเดินเราเดินด้วยความคิดเราคิดหาเราหาธรรมะ เราไม่ได้เห็นว่านี่คือสภาพธรรมที่มันทํางานอันนี้คือธรรมชาตินะั้นเราดูธรรมชาติมันเดินเมื่อเราดูธรรมชาติป่าไม้ภูเขาเนี่ยเรามองไปเมื่อธรรมชาติเมื่อไหร่เราไม่ยึดว่าเป็นธรรมชาติเราเห็นว่าเป็นธรรมดาเนี่ยเราไม่ได้ทุกข์กับมันละมันเป็นธรรมดาของมันนะใจเราจะสบายสบายนะมองธรรมชาติข้างนอกนะมองชีวิตให้มองเป็นธรรมชาติ ทุกอย่างเป็นธรรมชาติปรากฏการรูปนะกายเวทนาจิตธรรมเกิดขึ้นมองว่าเป็นธรรมชาติแล้วจิตเราจะโล่งขึ้นมาแบบง่ายๆเลยแบบสบายสบายตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบปัสสะมองมันเป็นธรรมชาติเราจะมองว่าเป็นเราเราจะคิดว่าเราปฏิบัติ นะเราเอาจริงเราเอาจังเราไม่เอาจริงเอาจังเราขี้เกียจเราอะไรอนยะ่าเงี้ยอย่าให้มันมีเราเข้าไปจะให้มีอาการพอใจขี้เกียจก็จะไปพอใจในความขี้เกียจขยันก็จะไปพอใจในความขยันให้มองเห็นว่ามันเป็นธรรมาชาตินี่อย่าไปจ้องกำหนดรู้ก็จะไปจ้องจ้องว่าจะเอาจะมีจะเป็น ทำจนได้ว่าสภาวะที่เห็นธรรมชาติเ น, นียมันลึกเข้าไปเห็นการเกิดการดับของทุกนะอย่างเราทาแล้วมันจะทุกทุกอย่างมันคิดอย่างเงี้ยมันปรุงมันแต่งเนี่ยคื อ, อมันเกิดแล้วเนี่ยทุกยิ่งคนไหนมีสติละเอียดก็จะเห็นทุกได้ละเอียด ถสติละเอียดเห็นทุกละเอียดนะี่สติไม่ละเอียดมันก็เห็นทุกได้ไม่ละเอียดทุกเกิดขึ้นร้อยหนึ่งร้อยเรื่องถสติปลอมๆเนี่ยไม่ใช่ของจริงเราคอยศาสตร์สองมเหมือนเครื่องสํารวจตรวจสอบทุกที่เกิดในใจเราในพื้นที่อันนี้ กากว้างสองยาวน า, าคืบเนี่ยทุกมันแอบอยู่มุนมนั้นบุมนี้เต็มไปหมดแหละเหมือนสารเสพติดสารเคมีสารทําวัตถุระเบิดเนี่ยมาอยู่สติเราเหมือนเครื่อง G นะีที0องเวลาตรวจสอบลงทุนแทบตายเครื่องละล้านห้าอะไรไม่ใช่เวลาเราตรวจสอบ 20ครั้งเจอความจริงจับได้สักสี่ครั้งนั่นก็มีผลมีผลกับชีวิตเรามีผลกับคนที่เอาไปใช้ปัญหาเกิดขึ้นมากมายฉนั้นสติที่เรามีเนี่ยมันต้องสำรวจทุกเกิดขึ้นร้อยครั้งก็เห็นร้อยครั้งมันซ่อนอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยเราต้องเห็นมันปานนั้น มันจึงจะปลอดภัยชีวิตเนี่ยถ้างั้นเราก็ผลิตใหม่เอามาตรวจสอบใหม่พาพิสูจน์ใหม่เปลี่ยนเครื่องใหม่และลึกรู้ใหม่สังเกตดูไกลดูจิตเราใหม่เพราะชีวิตเรามันไม่ใช่เครื่องล้อเล่นนะแต่คนก็สนุกสนานเพราะหลงไงหลงก็บอกว่าเหมือนคน คนที่หลงเข้าไปในความคิดเหมือนกับคนที่หลงเข้าไปในป่าใหญ่อันรกทึบหนาไปด้วยเรียวหนามดูแล้วหน้าหวัดเสียวงเงียบเหงาว้าเวคนที่หลงเข้าไปอยู่ในป่าหาทางออกไม่ได้จิตของคนที่หลงอยู่ในความคิดความปลุงแต่งหลงอยู่ในอุปท า, านของตาลูหัวจมูกลิ่นกาย มีแต่อำนาจของมารมีแต่มือมารยื่นออกมามีแต่จะดึงเราไปสู่ทุกข์สู่ความยึดติดยึดมัน่นถือมันเราออกไม่ได้นอกจากเราจะรู้แจ้งว่าอะไรเป็นมารไม่เป็นมาร น, นอกจากเราจะรู้ตามความจริงนอกจากเราเฉยกับมารเป็น นอกจากเราจะมีวิชาปรากฏเกิดขึ้น <c oughs> มีเครื่องมือในการสํารวจนะตรวจสอบเรื่องหนึ่งเล็กๆ น, น้อยๆที่อยู่ในใจเรายังกับวัตถุระเบิดนะ <c oughs> แต่เราไม่รู้เท่าทันมันไม่เห็นจริงๆเวลามันระเบิดขึ้นมานี่แต่กระจายไปหลายเรื่องมากเรื่อง น, น้อยๆมันคิดไปมากมายหลากหลาย ลงแต่งไปเยอะเลยต่อเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องประติดประต่อกันเป็นยืดเป็นยาวภาษ า, าศาสนาเขาจึงเรียกว่ามันเกิดประติจสมุป บ, บาทคือการที่อุปท า, านหรือความคิดมันเกิดขึ้นเนี่ยอุปาธประติจสมุป บ, บาท เกิดขึ้นแล้วติดต่อกๆๆันไปเรื่อยๆมันยาวเป็นเรื่องเป็นอันไปแต่ถ้าสติมีแล้วก็ตัดมันไม่ให้มันปฏิจจสมุปบาทไม่ให้มันปฏิจจประ ต, ะตอกันไปทุกก็ไม่สามารถที่จะกัดใจเราได้แต่ถ้าสติน้อยปัญญาน้อยมันก็กัดแหละใจเราเนี่ปิดอยู่บ่อยๆทิ้งอยู่บ่อยๆ ยึดมั่นตรงไหนมารเกิดขึ้นตรงนั้นนะยึดกายยึดใจเนี่ยยึดตรงไหนยึดเมื่อไหร่ตอนเช้าตอนเย็นตอนไหนก็ตามมารเกิดขึ้นตรงนั้นและถ้าตัดไม่ขาดมานี่จะดำเนินชีวิตโตขึ้ น, โ ต, น, โ, ตนโตขึ้นเหมือนเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะ เหมือนไวรัสอะไรสักอย่าง <c oughs> ในที่สุดมันก็รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วจะมีพลังอุปทานบีบบังคับให้ชีวิตเราเป็นแบบนั้นเลยถ้าเราไม่ตัดออกท่านทั้งหลายเคยเห็นเถาวันที่พันเกี่ยวเลี้ยวลดอยู่กับต้นไม้แต่ต้นไม้วันอ่อนนะมันเกิดใหม่ขึ้นมาเถาวันมันก็น้อย ทวันมันก็เริ่มโตขึ้นมันเกี่ยวพันขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วมันดึงมันตึงขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็เกาะเกี่ยวมันดึงไว้แค่นี้แต่ต้นไม้นี่มันต้องโตไปข้างหน้าเรื่อยๆแต่มันโตไม่ได้มันโน้มมันง่วงเอาไว้เมื่อนั้นต้นไม้นี่ก็ต้องมีรูปทรง โค้งงอไปตามที่เถาวันมันบังคับให้เปลี่ยนไปเผาพันเถาวันเล็กใหญ่เชือกหรือสายไฟที่เรามัดทำเป็นที่ตากผ้าที่อะไรก็ตามัมนก็จะโค้งงอไปตามนั้นแหะชีวิตเราเกิดมามันเกิดมาเพื่อตรงๆนะขึ้นตรงๆเหมือนต้นไม้ชีวิตมันเป็นแบบนั้นไปสู่อิสรภาพ แต่มันโตไม่ได้มันตรงไม่ได้เพราะมันมีถาวันไปเกี่ยวมันเอาไว้นั่นรูปทรงรูปรักษ์ของชีวิตเราเป็นไปนตามตันหาที่มันเกี่ยวพันเราเกิดมาเราไปเพราะนิสัยอะไรรักหรอือโกรธหรอือชังหรอือหลงหรอือหลงตนหลงตัวสำคัญบรนใหม่ในสมมติทั้งหลายใช่ไหม ถ้าไปผูกพันอยู่แบบนี้จิตมันก็ไม่ออกแล้วมันก็เกี่ยวสังเกตดู ว, ว่าคนเนี่ยตันหาจัดคนนี้ราคะสูงคนนี้โทสะมากคนนี้อัตตาตัวตนหลงยึดติดทิฐิมานะทูอิงพ่อเลยเพราะว่าเถาวันแห่งอุปทานเถาวัอุปทานเนี่ยมันเกาะเกี่ยวไว้จนแบบนั้นเลยต้นไม้ก็โตไม่ได้ยอดก็ขึ้นไม่ได้ตัวบางทีล้มหักในระหว่าง บางคนติดกินก็ติดชอบชอบรถแบบนี้ชอบเสื้อสีนี้รสนิยมแบบนี้เครื่องสํำอางแบบนี้ชอบรถยี่ห้อนี้ชอบกลิน่นชอบอะไรชอบบ้านสไตล์นี้เมื่อไรที่เราไม่เห็นว่าเป็นธรมธรมชาติธรรมชาติเนี่ยเราไปยึดติดอยู่แบบไหนเนี่ยชีวิตเราจะออกมาเป็นรูปทรงแบบนั้นมันไม่มีอิสระไง นั่นก็เป็นอัตราตัวตนแต่จริงๆเขาอยากเป็นอย่างนั้นไม่ได้อยากเป็นไม่มีใครอยากเป็นแต่มันไม่รู้ไงมันเอาออกไม่เป็นน่ะไอที่มันคล้องนั่นจนมาวันหนึ่งนะสังเกตใกล้ๆแก่ๆใกล้ๆจะตายแล้วละ่ะก็เกิดไปปฏิบัติทำมาหรือเฉลียวใจเกิดขึ้นเอามีดตัด ได้มีดมาไปเรียนแล้วเอามีดมาเอามีดตัดพอตัดปุ๊บมันก็เงยหน้าก็ได้ไม่นานแล้วก็ตายคนไปปฏิบัติธรรมตอนแก่ๆอิสภาพจะเกิดขึ้นนิดหนึ่งถ้าสามารถบรรลุทำเข้าใจธรรมะนะแล้วก็ตายก็แค่นั้นชีวิตนี่อยู่ด้วยความถ่วงด้วยเถาวันมาตลอดชีวิตเถาวุปทานนี่แต่เราก็ไม่รู้ไม่รู้เพราะมันเป็นอันเดียวกันนะ่ะเหมือนต้นไม้กับเถาวันที่มันผูกเอาไว้มันเป็นอันเดียวกันเลย แต่เมือ่อไหร่ที่มันหลุดนั่นแหละมันถึงจะรู้โอ้จริงจริงชีวิตกูไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเกิดมาเนี่ยไม่ได้มีความหวังความคิดว่าคือพอมันหลุดออกมันถึงจะรู้ว่ามันเป็นอะไรว่ามันสบายขนาดไหนเหมือนคนเป็นโรคมันตั้งแต่เกิดเนี่ยแล้วมันจะรู้เลยว่าคาว่าหายโรคคืออะไรนะแต่ยูยูวันหนึ่งมันหายจากโรค มันไม่เป็นโรคกี่แล้วมันจะรู้ทนันทีว่าภาวะที่โรคหายไปจากตัวเองเนี่ยมันสบายขนาดไหนฮะชีวิตที่ติดทุกเนี่ยมันมันอันตรายมากชีวิตที่ติดกรรมชีวิตที่ติดอุปาทานชีวิตที่หลงอยู่ในป่าอันตรายท่ยานจี่ว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงตัดป่าซะแต่อย่าตัดต้นไม้พุทธเจ้านะ มันรกชีวิตเนี่ยจงถางป่าแต่อย่าตัดต้นไม้ถางออกซะยันมันรกขนาดนั้นชีวิตเรามีแต่ความคิดนะวันๆหนึ่งมีแต่นั่นจะเอานี่จะเป็น ป, ป, นป ล, ลูกพันธุ์เป็มดอะไรเพราะแต่เพราะมันเป็นตีนเป็นมือเป็นเยื่อใหญยนะเป็นเถาเป็นเชือกของมานทั้งนั้นนะ่นะคอยเกาะคอยเกี่ยวเหนียวรังชีวิตเราไว้อยู่ มันไม่อิสระเรามาปฏิบัติธรรมเราจึงพยายามทำให้มันอิสระต่อสู้กันตรงตรงเลยไม่เอาบ้านเอาเรือนเอาพี่เอาน้องเอาทรัพสมบัติเอาอะไรมาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเรารู้ทำจริงทำจริงดูมันเนี่ยอย่ยนรู้ว่ามันทำงานยังไงดูให้เห็นว่าชีวิตเราเป็นทุกข์ไหมที่แบบเนี้ยพอเราทำได้ก็มีความสุข และจะต้องถามตัวเองว่าสุขนี่มันเที่ยงไหมสุขนี่มันเที่ยงไหมสิ่งที่เห็นเนี่ยเข้าใจเนี่ยไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นก็ะพอใจกับสิ่งที่ทำได้เล็กๆนน้อยกุศลธรรมกุศลจิตพระผู้มีพระภาคจเจ้าตรัสไว้ว่าไม่ให้มีความสันโดษอย่าไปสันโดษกับธรรมที่ปฏิบัติได้อย่าสันโดษกับกุศลลจิตที่เกิดขึ้น มันแสวงหาบ่อยๆนะแล้วทําให้มันมากขึ้นกุศลคือความฉลาดของจิตที่ออกจากทุก์เนี่ยอย่าไปพอใจอย่าไปยินดีอย่าไปสันโดษอย่าไปมักน้อยยิ่งความฉลาดเฉลียวเกิดขึ้นกับจิตที่จะหลุดออกจากความคิดความปรุงแต่งออกจากตัณหาอุปท า, านอวิชามานณะที่ติดได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งสะสมมากเท่านั้น ยิ่งเรียนรู้ยิ่งเฝ้าดูให้มันมากทอนนั้นแต่มันลึกเข้าไปลึกเข้าไปอ่ะเราจะตังว่ามันสามารถตัดขาดไอความรู้สึกว่าพอกระทบรูปเนี่ยเกิดความพอใจแป๊บทางตาหูวจมูกที่ใหกระทบกับรูปรสกลิ่นเสียงเกิดความพอใจขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งมันถูกตัดอาการนะคลายคืนไปสู่สภาวะที่ปกติของมันแล้วเป็นศักแต่ว่าโดยธรรมชาติเลย จะไม่มีความว่าเผลอมาอยู่ในใจเราว่ามันเป็นธรรมชาติแบบนี้เองเนาะนะเมื่อนั้นแหละคนถึงรู้จักว่าธรรมะคือธรรมชาติเมื่อไหร่ที่มันไม่ปรุงแต่งมันอยู่ตัวของมันเองนั่นแหละธรรมะคือธรรมชาติแล้วนะ่ธรรมชาติจริงๆมันต้องออกมาจากจิตเป็นธรรมชาติที่ได้มาด้วยความเข้าใจที่เกิดจากปัญญาเกิดจากญาณทัศนนะถ้ามันมียาณทัศนะเกิดขึ้นแล้วจิตจะหลุดพ้นนะ ฝึกสติเนี่ยและลึกรู้นะอันนี้มาได้ยินได้ฟังนะเพื่อเอาไปปฏิบัติอันเนี้ยฟังเพื่อไปปฏิบัติแต่เราเนี่ยขณะที่ฟังนี่เราก็ปฏิบัติไปในตัวอันนี้ฟังไปเพื่อปฏิบัติปฏิบัติเพื่อให้ได ล, ลึกรู้ต่อเนื่องพอต่อเนื่องก็เป็นสมาธิสมาธิคือสติที่มันมีพลังเยอะๆนั่นแหละ และก้าำล้ำนำไปสู่การเกิดปัญญาปัญญาในพุทธศาสนาสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องมาที่สุดก็คือยะถาภูตยานเห็นตามความเป็นจริงยะถาฉันใดเอวังก็ฉะนั้นยะถาภูตยานมันเกิดมาแบบไหนก็มียานอย่างรู้แบบที่มันเป็นเท่านั้นไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรกับมัน โกรธเกียรติโลภหลงชอบชังเกิดปีติเกิดสมาธิเกิดปัจจัที่เกิดสว่างเกิดรู้แจ้งเกิดอะไรเห็นเท่าที่มันเป็นไม่ต้องไปปรุงมันอย่าเป็นยินดีพอใจเห็นเท่าที่หนาเท่าที่มันเป็นนะั่นแหละเราดูเราเลลึกรู้อยู่อย่างเงี้ยเนี่ยปัญญามันเกิดขึ้นตามลําดับ ถ้าเห็นแจ้งอย่างนี้เอาเกิดก็เห็นว่าเกิดดับก็เห็นว่าดับอมันเกิดมาเท่าไรถ้าเห็นเท่าที่มันเกิดเดี๋ยวมันก็ดับส่วนมากคนจะเห็นแต่มันดับแต่ไม่เห็นมันเกิดอย่างความคิดนี่เห็นไหมมันดับเห็นอยู่ตามไโอ้มันดับไปตัวนั้นแต่ตอนดับก็ไม่เห็นยิ่งถ้าจะไม่เห็นการเกิดเห็นจุดจบเห็นการเกิดนี่เห็นยากเห็นการเกิดเนี่ย ทีนี้พอเห็นการเกิดกับการดับเป็นอันเดียวกันภาวะอันเดียวกันที่เกิดกับดับเกิดขึ้นเหมือนกันเหมือนเปิดไฟพลึบขึ้นแล้วพร้อมกับการดับไปเงี้ยยิ่งยากใหม่ๆเราเห็นอนัตตาแบบความคิดเกิดมาเดี๋ยวก็ดับไปเกิดมาก็ดับไปเงี้ยความง่วงความง่วงเกิดมาก็ดับไปปรุงแต่งเกิดมาก็ดับไปทีนี้ทําเห็นให้มัให้การเกิดกับการดับเป็นอันเดียวกันได้ไหมอันนี้จังทุกข์องอนัตตานี่รวมเป็นหนึ่งเดียวนะ การเห็นเนี่ยต้องแหลมคมเกิดขึ้นเป็นแบบปัจจุบันทันด่วนเป็นขณะหนึ่งนั่นเองไม่ได้แยกเป็นทีละอันทีละอันทีละอันถ้ามาแหลมคมปาบนี้นะอย่างที่เราปฏิบัติทำเนี่ยนี่ก็จะไปสู่การระลึกรู้ที่แท้จริงก็จะเกิดการจาแจ้งขึ้นมาทุกมันสลัดได้หายไปได้ถ้าเป็นแบบนี้ การทำได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเกิดญาณทัศนะไอ้ตัวญาณทัศนะที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยมันนำไปสู่ตัววิมุตติหลุดพ้นนะปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เห็นแจ่งเห็นธรรมอะไรธรรมดานะเขาจะให้เกิดจิตหลุดพ้นเขาเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะนันน่นแหละสติที่เรารลลึกรู้เนี่ยไม่ใช่รลลึกรู้ธรรมดา มันพัฒนาจากสติสัญชาตญาณเป็นปัญญาญาณเป็นวิปัชนายานเป็นยาทัศนะระบบต่างๆนำไปสูุการเกิดวิมุตตวิโมกเป็นนิพพานไปโน่นอุปาทิเสสนิพพานอนุปาทิเสสนิพพานตระทางควิมุตติปหวิคมพระนวิมุตตสมุทเฉดวิมุตตและแต่ภาวะกลไกของพลังสติว่ามีความหนักแน่น มันคงเข้มแข็งพลังประสิทธิภาพในการนำพาที่เรียกว่าญาณญาณญาณเนี่ยมันจะมีมากแค่ไหนถ้าไม่มีมากมีมากมันก็นำไปสู่ความดับทุกข์ออกไปได้ไกลอะระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสไกลจากกิเลสได้สมดังพุทธพจน์นั่นแหละเราจะมีสภาวะธรรมนั้นปรากฏกขึ้นในใจเรา แต่ลราพูดคำคำเดียวมาอยู่ในนี้เออฝึกสตินะเล่ลึกรู้นะนคนโง่ง่นี่พูดลึกๆมันก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะสภาวะจิตมันไม่เป็นนั้นมันก็ป่วยการเหมือนเราว่าคนยังไม่เคยเห็นสวรรค์นเนี่ยจะมาเล่าเรื่องสวรรค์ น, นี้มันฟังมันจะรู้เรื่องเหรอมันไม่รู้หรอกคนตาบอด ไปเล่าเรื่องข้างนอกให้โดนฟังเนี่ยความสวยความงามสีแดงสีเขียวไม่รู้ให้มันรู้มันก็ไม่รู้นะดังนั้นเราก็พูดอันเดียวเนี่ยเอา้าไม่ได้ทำอะไระทำแค่ให้ตาบันหายคือให้มันเกิดดวงตาเท่านั้นเอง เกิดสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นพอสติเกิดขึ้นดวงตามันสว่างมันก็มองเห็นเองโดยธรรมชาติมันเราไม่ต้องพูดอะไรให้ลึกให้ซึ้งมันก็เห็นได้แบบลึกซึ้งคือความสว่างเกิดขึ้นสาดส่องเข้าไปในใจมันเปิดประตูออกไปได้มันเห็นอ่ะอืมทําไงมันเป็นแบบนี้เนาะพอมันเข้าใจมันมีมันเป็นมันก็แจ่มแจ้งเข้ามันได้ โดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรแต่ในขณ ะ, ะเดียวกันมันเปิดประตูไปไม่ได้แล้วจะเล่าเรื่องข้างนอกให้มันฟังว่ามันสว่างอย่างนี้นะมันไม่เหมือนอยู่ในห้องนะก็เท่านั้นนะความเพียรพยายามในการที่จะออกมันไม่มีคนหลายๆคนมาปฏิบัติทำนะพูดมากๆให้ฟังแสดงทําให้เกิดความเข้าใจมันก็ไม่ได้คิดอยากจะออกจากทุกข์นะที มันยังหลงวนเวียนอยู่กับอดีตอนาคตอยู่กับความพุ่งแต่งกิเลสตันหาราคาของมันอยู่มันหนาขนาดนั้นนะมันไม่ใช่มันจะง่ายเพราะถ้าหาไม่แล้วกิเลสถ้าไม่มีความสามารถปานนั้นเนี่ยมันดึงพวกงงองไม่ให้อยู่ในทุกข์ไม่ได้หรอก มันต้องมีอาสาธะของมันนะอาสาธะคือความยึดติดคือความพึงพอใจมันมีเหยื่อในการที่จะล่อไงหลอกล่อเราเนี่ยทีนี้ยิ่งหลอกล่อคนตาบอดก็ยิ่งง่าย คนทั้งหลายตั้งปวเรามองดูทางซ้ายทางขวาหน้าหลังมีแต่บ้านหลังใหญ่ๆโตๆมีแต่คนมีรถมีแต่ความยิ้มแย้มสนุกสนานเปิดเปิลแต่ละมองดีๆเราสงสารเขาเขาอยู่ในกองทุกข์นะเขาไม่เห็นความคิดเขานะเนี่ยเขาไหลไปตามกระแสความอยากนั่นแต่ละวันเขาเรียกว่าเขาประสบความสำเร็จนั่นเนี่ยเขาสนุก กับทุกที่มันหล่นก้นอยู่นะเนี่ยเหมือนไฟราคะโทสะโมหะเนี่ยเขาไม่รู้เนะี่ยแต่เขาก็ไปตามกระแสของเขาแบบนั้นนั้นเราจะให้ไปชวนคนนั้นมาปฏิบัติธรรมชวนคนนี้ปฏิบัติธรร ม, มง่ายก็ได้ยากก็ได้ มันอยู่ที่ความกรุณานี่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ได้ออกออกจากทุกข์นะคือมันมืดอยู่ทั้งวัไม่รู้ไงทำยังไงอ่ะมันไม่รู้ขนาดคนทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมเดินทีกคนท่องขงเพียนก็ยังไม่รู้นะท่านที่เขาก็ไม่ได้รู้ที่สวรรค์ที่นรกที่อินที่พรหมอะไรเขาให้มารู้สึกตัวอันนี้เอง นั้นจิตของคนไหนที่ปฏิบัติทำแล้วอัตตาตัวตนยังจัดอะไรเนี่ยเป็นจิตที่น่ารังเกียจจิตนะเนี่ยมันไม่ยุบเอาซะเลยคือไปเดินเจ้าก้มก็ไม่เห็นตัวเองมานั่งฟังก็ไม่รู้สึกตัวเองทําอะไรก็ไม่รู้สึกดูตัวเองไม่ออกบอกตัวเองไม่ได้ใช้ตัวเองไม่เป็นเห็นตัวเองไม่ชัดเอาซะเลย คนแบบนี้เนี่ยจะเป็นคนที่น่ากลัวอยู่ทั้งโลกก็น่ากลัวเพราะมันตาบอดเกินไปเพราะมันตาบอดแล้วมันจะควนขวายเอากับโลกมันจะอาศัยกิเลสตัณหาฟาดฟันเอากับโลกมันจะยื้อแย่งเอาความสุขของโลกยื้อแย่งเอาวัตถุดิบกับโลกมันจะวิ่งตามกระแสรูปรสกลิ่นเสียง วิ่งตามราบยศสารเสริญสุขที่มันหลงว่ามีจริงเนี่ยอยู่กับโลกนั้นคนนี้แหละที่มันจะทําให้โลกวุ่นวายอยู่ในครอบครัวก็วุ่นวายในครอบครัวนะอยู่ในหน้าที่การงานสํานักงานอะไรออฟฟิศไหนมันก็วุ่นวายไปที่นั่นเพราะตัวตวนมันเยอะไงอัาตรามันมากมันไม่เคยสลายอ่ะแล้วหลงว่าสิ่งนั้นเป็นจริงด้วยนี่ เขตบอกปัจจุบันเนี่ยคนเห็นกงจักว่าเป็นดอกบัวเห็นหัวเป็นหางเห็นชั่วเป็นดีเห็นกงจักนะเป็นดอกบัวกงจักที่หมุนมาตัดหัวแล้วว่านว่าดอกบัวไปจับเอาเดี๋ยวนี้เห็นสติเห็นธรรมาจากเนี่ยว่าเป็นสังสารจัจจ์พามาปฏิบัติให้เจริญสติเพื่อจะออกจากทุกข์หมุนออกไปจากใจเนี่ยพาใจออกไปสิออกจากความคิดเนี่ยนี่ เขาเรียกว่าธรรมจักรแต่มันกลับบอกว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วเป็นทุกข์มากออดอดัดมากทุกข์มากก ร, กระวนกวายเป็นสังสาระจักรเป็นการเวียนว่ายอยู่ในวัตะสงสารพรอปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงเขาไม่มีไงนี่แหละเขาเรียกว่าเห็นสังสารจักว่าเป็นธรม ร, นธรมจักรเห็นธรรมจักรว่าเป็นสังสารจักสังสารทุกข์เป็นการเวียนว่ายในวัตฏสงสาร เราจะเอาปัญญามาจากไหนความสุขในโลกเนี่ยไม่มีมันไม่มีความสุขโล ก, กเนี่ยนะสุขไม่มีมีแต่ทุกข์าะนั้นพระพุทธเจ้าจึงขึ้นต้นในทุกขสมุทัยนิโรธมรรคไม่มีนะสุขสมุทัยนิโรธมรรคไม่มีสุขไม่มีทุกขน้อยทุกขแล้วเราถอนอุปาทานในทุกขออกมาอยู่กับปัจจุบันเฉยๆชีวิตนี่ เห็นตามที่มันเป็นโอมทุกข์ก็เป็นแบบนี้เนาะแต่เราไม่เข้าไปในทุกข์น่ะทุกข์มันเหมือนเพราะอะไรเพราะเราไปกินเหยื่อกินเหยื่อของนายพรานนายพลานผู้มาตกก็คืออวิชชาคือตันหาน้ำมันตกเหยื่อเข้ามันก็คือมะเกี่ยวรูปรสกินเสียงนะรสชาติอริดอร่อยเพราะเราติดมีอุปทานเราก็ไปกินกินความอาริดอร่อยพระติดอริดอร่อยก็ติดพอใจเป็นอุปทานยึดติด พอยึดติดปุ๊บนายพานคือตัณหามันกำลัาลากจิกหัวเราไปฮ่ามันติดแล้วนี่อยากจูงไปทางไหนก็ได้โอ้ยมีอยู่ที่นั่นนะอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวไปกินที่โน้นนะตอนเย็นไปเที่ยวที่โน้นนะนี่ฮะมันไปได้หมดเลยเพราะมันติดแล้วไงนีมันใส่เหยื่อล่อเราแล้วเราก็ติดไปหมดนะเพราะเราไม่ได้มองเห็นทุกอย่างว่าเป็นอนาตตานะ นั้นมนันก็เข้าหาชีวิตเราได้ไม่ยากเพราะมันมีเชือกเกาะเกี่ยวมาแล้วโดยความพอใจเอาความยึดติดความผูกพันที่มีเรานี้มีเรา ม, เรามีเราเป็นเนี่ยหาให้เห็นเถะโยมมาเกิดมาชาติเนี่ยอายุยังไม่มากเท่าไรหร่หรอกอันเนี้ยอายุจิตก็เพิ่งมาปฏิบัติธรรมไม่กี่วันเองเราคงจะได้เกิดนะ เกิดสติเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดการรู้แจ้งได้จากการที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเอาจริงเอาจังนะเอาจริงเอาจังคือเอาให้มันพอดีอ่ะมันถูกทำตามหลักของมัจจิมาปฏิปทานะคือจิตที่เป็นกลางๆงได้ทำยังไงจิตมันจึงจะเป็นกลางกล ไม่ใช่ทำกลางๆนะแต่ทําให้จิตมันเป็นกลางๆเราอาจจะปฏิบัติจนคอขาดออกไปถ้าจิตมันยังไม่เป็นกลางก็คือทําไม่จริงมันยังไม่ถูกไงนะแต่ทํายกมือ น, น้อยๆรู้สึก น, น้อยๆแล้วจิตมันเข้าไปอยู่ในสายกลางเป็นนั่นแหละทำถูกทำจริงแล้วอันนั้นนั้นจริงไม่จริงวัดตรงที่จิตมันอยู่เป็นมัชฌิมา จิตสามารถอยู่เดินอยู่ในถ้ำทา ง, ทางเส้นทางสายกลางได้ส่วนร่างกายนี่มันเป็นเงื่อนไขเฉยๆเงื่อนไขเพื่อกระตุ้นให้จิตมันมาดึงมาอยู่เฉยๆเราจะเอาปลานะเราไม่ใช่อยู่ที่เบ็ดนะแต่เป็นเป็นส่วนประกอบเฉยๆพอได้ปลาล้วก็ทิ้งเบ็ดนี่ <c oughs> ในสมัยพุทธกาลในคนเขา ความคิดเิ้วขีเล่ความเกียดข้านความมีปัญหามากกว่าชีวิตโยมนี่ได้ซ้ำไปแต่เขาก็เห็นทำนองตาอยากยกตัวอย่างประกอบให้ฟังสักอันไม่ชายขี้เรือนคนหนึ่ง แค่ขึ้นเรื่องนี้ก็ห่างไกลเรามากแล้วชีวิตเขานะเขาเป็นคนขี้เรื้อนชื่อสุ ป, ปะพุท ธ, ธเป็นพรามหาขอทานขี้เรื้อนเต็มตัวเขาไปใกล้ใครก็ไม่ได้หาขอทานกินแม้แต่ไปหาขอทานยังไม่ได้กินเลยนะ ในอินเดียเนี่ยไม่มีกินและจะเดินหาเก็บผักเก็บหญ้าเหมือนประเทศไทยแบบนี้ไม่มีมันไม่มีที่ให้เก็บหลอกโยมยึ่ยแค่ขอยทานด้วยกันก็เป็นร้อยๆพันๆล้านแล้วนะเป็นร้อยๆล้านยือยอยอย้อแย่งกันแลวเขายึดถือจริยธรรมสูงมากมันไม่มีการขามโมยอ่ะ ถ้าขโมยในเกิดมาชานี้จนแบบนี้ยังขโมยอีกเนี่ยตายแล้วเกิดไม่รู้จะอยู่พบไหนภูมิไหนชาติหน้ามันเขาจะไม่มีแบบนั้นหาน้อยมากที่ต้องขโมยที่อะไรเนี่ยนั้นคนอินเดียในส่วนหนึ่งจึงพร้อมกระล่องกระแล่งสูบสิทธ์นะแต่เขาศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าสูงศรัทธา ในภูมิชีวิตของตัวเองที่เกิดมาอยู่ในชนชั้นวันนะไหนก็ปฏิบัติตามหลักของอาสมสีให้อย่างถูกต้องนั่นเองอะ่ะเขาจริงจังกับชีวิตนะวันนึงหนึ่งก็ไม่มีอะไรขอได้มาก็ได้กินบางวันก็บไม่ได้กินก็เก่าเกาคันคันไปตามเรื่องเรือนคนลังเกียด แต่ก็แก่มากแล้วล่ะอายุเยอะวันหนึ่งเขาเดินตามคนมาเห็นคนเดินไปเยอะเยอะเยอะ้ <ๆ S 1> <ๆ>มันเดินไปไหนคนวันนี้น่าจะมีงานบุญงานทานแน่เมื่อมีงานสาระมีงานบุญงานทาน งานบนแจกข้าวงานอะไรต่างๆที่ไหนก <_ d ance> ็พยายามไปเผื่อจะมีเศษอาหารได้ขอได้อะไรบ้างนะเดินตามคนนี้เขายังให้เดินห่างๆเลยสะเก็ดขี่เลื่อนเลยก็จะถูกเขาแต่พอเดินเข้าไปปุ๊บเอา้าบุคคลทั้งหลายมันถือดอกไม้ด้วยทูบเทียนเพื่อไปจุดแสงสว่าง สิบห้าคำเนี่ยมันไม่มีไม่รู้จะเอาไฟไหมมันไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรเมื่อก่อนจุดเทียนสองสว่างนั้นคนส่วนมากจะนิยมไปฟังธรรมะจะได้ยินได้ธรรมะของปุริยา ว, วันสิบห้าคำสิบห้าคำคนจะไปเยอะแล้วจะมีคนเข้าถึงธรรมะเพรา ะ, ะรเพราะว่ามันสว่างเนี่ยเรามีการจุดธูปจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยจริงๆคือจุดให้เกิดความสว่างสว่าง จุดแสงสว่างขึ้นได้เห็นน่ะเห็นตาพูดคุยกันเนี่ยแต่นี้เรามีสว่างอยู่แล้วมีไฟฟ้ามีแล้วก็ไม่ได้จุดเพราะมันสว่างอยู่แล้วนะคือด้วยปัญญาเราเองน่แหละเนี้นมันก็สว่างอยู่แล้วก็ไม่ได้จุดอะไรแต่ถ้ามันมีปัญหาก็จุดคือทุกอย่างใช้ด้วยปัญญาที่มันเป็นธรรมชาติที่สุดทนั่นเองก็ไม่ได้มีอะไรนะ รู้ด้วยสัญชาตญานว่าบุคคลที่ยืนนั่งอยู่ท่ามกลางนั่นแหะคงเป็นประมุกของพวกนี้ทั้งหมดเพราะคนทั้งหลายนั่งแวดล้อมเขาแล้วเขาฟังเขากล่าวธรรมกถาในสมัยพุทธกาลสมัยเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีศาสนานะเขาไม่เรียกว่าศาสนานะแต่เขาเรียกว่าธรรมวินัย อย่างพระอัสชิสนธนากับท่านอุปติสสะหรือสาริบุตรเนี่ยท่านปฏิบัติธรรมะของใครท่านเป็นสาวกของท่านผู้ใดคนผู้นั้นกล่าวทมกับท่านว่าอย่างไรแต่ก่อนเนี่ยนิพพานก็มีอยู่กับทุกศาสนา อยู่ในประเทศอิเดียมี62รัฐิใหญ่ๆสมัยพุทธกาลแต่ละรัธิเขาก็มีสภาวธรรมที่เรียกว่านิพพานเหมือนกันหมดและคำสอนเขาก็มีอยู่แบบนั้นอยู่แล้วนะคำสอนของใครคำสอนของใครก็เป็นธรรมะของคนนั้นนะคำสอนของใครก็เป็นธรรมะของคนนั้น เราปฏิบัติทมเนี่ยแล้วแต่ใครจะปฏิบัติใครชอบธรรมะของใครก็ไปหาคนนั้นของสันชัยหรอือสองของนิครนนาจะบุตรหรอือปึกปุถะกัจยนะหรอือมาคริโคสารหรอแล้วแต่ใครชอบธรรมะของใครก็ไปบางคนชอบธรรมะของพระสมณะโคโดมก็ไปหาพระสมณะโคโดม คือแล้วแต่ใครชอบธรรมะของใครนะท่า น, นี้ก็เหมือนกันโอ้ธรรมะพวกนี้ฟังธรรมะของพระสมณะโคโดมนะที่อยู่ทากลางนะแสดงพวกคนทั้งหลายนี่ตั้งใจมาฟังธรรมะโอ้คงจะเสียเวลาเราละสิเราเดินตามหลังเข้ามาในหวังเพื่อจะได้อาหารจุดประสงค์นะ่ะเรายังไม่ได้กินข้าวกินน้ำเลยวันเนี้ย ข้าวน้ำก็ยังไม่ได้กินหวังว่ามันจะขอจะขอกินกับพวกนี้เนื่องว่าเขามีงานสราระธรมมีอะไรบ้างที่ไหนได้เขามาฟังกล่าวธ ร, รมกถาจากสามมโคดมเราอกจนนร่างกายก็สะกะปรกโสโครกจะเข้าไปในถ้มกลางประชุมชนที่เขาสมาคมฟังธรรมอยู่ณนะธรรมสภาแห่งนี้คงลาบากมาก แนวความคิดเปลี่ยนเลยตอนนั้นเอาอยา ก, กันนั้นเลยอ่ะเราลองตั้งใจฟังทำดูดิมันได้มาแล้วก็ไม่กลับละไม่ได้กินข้าวก็ไม่เป็นไรขอทานไม่ได้ในที่นี้ก็จะตั้งใจฟังทำธรรมะที่พระส ม, มณโคโดมเก่าวคงมีเนื้อหาสาระเราเคยได้ยินมาว่าส ม, มณโคโดมเก่าวทำเก่าวทำคนนั้นก็พ้นทุกคนนี้ก็พ้นทุกเราจะตั้งใจฟังดูดิเผื่อเราจะพ้นทุกข์กับเขาบ้าง ก็ขยับเข้าไปใกลๆเฮียท่ามกลางคนอื่นก็มองเห็นนี่แหละบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นด้วยความรังเกียจแต่เขาไปด้วยความทุลักษทุเลขี้ทูดกุดทังบางทีมันแข็งแข็งขยับแล้วก็เจ็บเพราะเลือดมันออกแต่เขาตั้งใจจะฟังพระศาสด า, าเนี่ยท่านอยู่ท่ามกลางและท่านมองดู ในคนหลา ย, ลายคนที่เขามาฟังธรรมเนี่ยควรจะเฉพาะเจาะจงกับใครดีคนไหนที่มันมีศรัทธาที่จะฟังคนไหนที่มาตั้งใจที่จะฟังคนไหนฟังด้วยความเลื่อมใสด้วยจิตเต็มร้อยด้วยความนอบน้อมอันนี้มันได้ยุ่งยากมันได้เอาใจใส่กับพวกที่ไม่ตั้งใจพวกง่วงพวกเงาพวกขี้เกียจ พวกไม่รู้จักหน้าที่เราก็กระตุกต้องเตือนซึ่งตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าท่านเอาใจใส่คนที่เข้ามาคนที่มันมีความเลื่อมใสเนี่ยจิตมันอ่อนมันโยมท่านเทศเจาะจงเฉพาะผู้คนนั้นให้ได้รับลดพระธรรมที่สูงสูงมากกว่าที่เขาเป็นอยู่นั้นมันมีศรัทธาแล้วไงใจมันบริสุทธิ์มันสะอาดแล้วไงในระดับหนึ่งมีตั้งใจฟัง คนที่ฟังธรรมะในวันนั้นนั่นคนที่สําเร็จผลคือขี้เลี้ยนคนนี้นอกนั้นก็คือมาฟังเฉยๆเนี่ยดูแล้ววาแลาจิตของคนนี้น่าจะรู้แจ้งเห็นจริงในสัจ ธ, ธรรม ค, คําคืนนั้นพระพระุทธองค์ท่านก็เปลี่ยนเรื่องพูดนะท่านพูดเรื่อง อนุปปิกขาอนุปปิกถาหานะได้แก่เรื่องทานทานอนุปุพิกถาคือทมที่ดำเนินไปโดยลำดับปกติพุทธิเจ้าแสดงอนุปพิกขาต่อด้วยอริยสัจว์่ตลอดเวลานะ วันนี้ท่านมีเวลาประมาณนั้นท่านพูดถึงอนุบุพิกตาคือหนึ่งทานสองศีลพูดถึงเรื่องทานเรื่องศีลว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของอาทีนวะ อาทิน่ะว่าคือโทษของการอยู่กับกรมแล้วเนคข ม, มะคือการออกบวชแล้วพูดถึงอานิสงของการบวชให้ฟังทานมียังไงบ้างทานทำทานทาให้ใจมันดียังไงคนเราเกิดมาเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์พะมันไม่รู้แจ้งนั้น การทานลงไปทําให้ใจมันดีรักษาจิตเป็นการรักษาสภาพจิตแบบหนึ่งจิตมันก็เริ่มดีเริ่มปล่อยเริ่มวางเลยระดับหนึ่งจิตมันดีขึ้นมันงามขึ้นมันสวยขึ้นมันทรงสภาพมันได้ดีขึ้นรู้สึกว่าเออบิ่มระดับหนยิ่งถ้ารักษาศีลคําว่าศีลนี่คือทําจิตให้มันปกตินะศีลเนี่ย แปลว่าปกติศีลมาจากควศิลาแปลว่าหินก็คือจิตที่มีความหนักแน่นมีความเยือกเย็นมีความเป็นปกติไม่หลุดเข้าไปในความรักความชังความโกรธความลงจิตมันไม่ไหลเข้าไปในกระแสนั้นน่ะเดี๋ยวเรามีศีลคนมีศีลมีทานดีระดับหนึ่งแต่ถ้ามีศีลมีความปกติไล่ความคิดความผู้แต่งออกได้ระดับหนึ่งนั่นแหละ จิตมันจะเริ่มเห็นทุกข์นะที่ว่าไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาสามารถชำระล้างกิเลสดได้นะคือภาวะแบบนั้นนั้นคนถ้ามีศีลเกิดขึ้นในใจจะสามารถชำระล้างใจที่มันเป็นทุกข์ในระดับเปลือกๆนั้นได้คนไหนมีศีล จะครอบงำความโกโรธได้ความโกโรธเป็นกิเลสอย่างหยาบๆยาบมีทานมีศีลทีนี้ก็ต้องมีสัก ข, ขะมีทานมีศีลแล้วก็มีสัก ข, ขะคือมีสวรรค์คนไหนมีทานมีศีลจิตมันจะดีจิต ด, ดีนี่เหมือนมันไปสวรรค์ เป็นสุขติเหมือนโลกสวรรค์ใจมันดีใจดีเหมือนได้ขึ้นสวรรค์โอ้ยเป็นสวรรค์ของเพิ่นเป็นสวรรค์ของเขาเป็นบุญของเขานะมันเกิดขึ้นในใจแต่ว่าทานศีลสักขะวนี้สวรรค์เนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นกล้วมันก็ดับ เกิดขึ้นมากระดับก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคนทำทานคนรักษาศีลต่อมาเกิดมีเงินมีทองมีขา่ามีของมีหน้ามีตาคนได้รับรู้ในสังคมเขาชื่นชมสรรเสริญมีชื่อเสียงโด่งดังกว้างไกลเป็นที่รู้จักนับหน้าถือตางั้นสวรรค์ชั้นแรกที่เกิดขึ้นในจิตของคนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ทานรักษาศีลเนี่ย เขาจึงเรียกว่าสวรรค์ชั้นจาตุมนะจาตุมมหาราชจาตุมมหาราชิกาหมายความว่าเป็นผู้มีชื่อเสียงขจรขจายเป็นที่รู้จักในทิ่ทั้งสี่เป็นผู้มีผู้เป็นผู้เป็นใหญ่ ผู้เป็นใหญ่ในทิศทั้งสีเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะ่ะเขาเรียกว่าจาตูมมหาราชแต่ทไหนคนก็รู้จักน้าหน้าถือตานะคนทําบุญทำทานส่งสง่สงเสริมบารมีไว้จะเป็นอย่างนั้นไม่ได้หมายถึงเทวดาหัวแหลมแหลมอะไรประมาณนั้นแต่คนมันไม่เข้าใจไงมันไม่เข้าใจเรื่องหลักพุทธธรรมพอไม่เข้าใจพุทธธมมันไม่เห็นนะ่ะ มันก็ไหลาตามความคิดเอาตีเอาตามความหมายมาเป็นยังไงแต่เราไม่ได้เห็นสภาวะในจิตเราเแท้ๆพุทธธรรมสอนจิตขณะหนึ่งหนึ่งเป็นคณิกวัฒนะเป็นคณิกวา่าเป็นกรรมวา่าเป็นปริยวาทะวิริยาวาทะเป็นคําสอนว่าด้วยความเพียนเรื่องกรรมเรื่องจิตพวกนี้ที่สุดก็คือ ขณะหนึ่งหนึ่งเป็นคําสอนว่าด้วยจิตขณะหนึ่งหนึ่งที่เป็นทุกข์เป็นสุขหรือไร้ทุกข์ไรสุขเนี่ยอยู่ในภาวะอันนี้แล้วก็พัฒนาเรื่องของ<ม>การออกจากกราม คือจิตเนี่ยท่านศีลสวรรค์แต่ยังเป็นกามาพจรเป็นจิตที่เวียนว่ายอยู่ในอารมณ์กามเราทำบุญทำทานเพื่ออเพื่อกามขอให้เกิดดีๆในพบดีๆในภูมิที่ดีให้ได้มาซึ่งรูปรสกลิ่นเสียงสาธุขอให้ได้อนนั้นขอให้ได้อ น, นี้จิตมันจะเวียนว่ายอยู่ในเาเรียกว่าชั้นกามาพจร ไม่หนีจากสิ่งเหล่านี้ไปได้ขึ้นๆลงๆอยู่อย่างนี้สุขสทุกข์เนี่ยหวังอยู่ในอยู่ในนี้นั้นแม้เป็นเทวดาเขายังติดอยู่อะเทวดาก็คือคนมีความสุขความสนุกสบายความหลงเพลินติดอยู่ในกามนั่นแหละ ต่อไปนานๆก็จะตายจากความเป็นเทวดา<ๆ>ก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่ อ, อไหร่ที่จนลงฮะเมื่ อ, อไหร่ที่หมดบุญบา ร, รมีที่อยู่ในชีวิตของความเป็นเทวดา<ๆ>ก็ต้องกลับมาสู่ในเมืองมนุษย์เป็นภาวะที่มันปกติ mm hmm. ก็คือมาอยู่ธรรมดาธรรมชาติแต่ว่าเมืองมนุษย์เนี่ยมันมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาไปสู่การรู้แจ้งเป็นพระอริยะได้ นรกก็ได้เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์ดิบฉันเป็นไหนก็ได้แต่ขอให้อยู่ในภาวะของมนุษย์มนุษย์ก็คือมีตัวรู้อยู่ระดับหนึงสอนได้บอกได้ฟังได้พัฒนาได้เปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าไปอยู่เปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์ดิบฉันต่ำๆเนี่ยพัฒนาขึ้นมายา ก, ก น, นี่นั้นเมลัติวดามจะตา ย, ยมันจะไปส่งสการคือไปไวอวยพรในการสาทุกข์ขอยท่านได้ไปเกิดในเมืองมนุษย์เถอะนะ เทวดาตนนั้นนั้นก็เหมือนกันจะทิฏฐานอยู่ด้วยอยู่ตลอดเวลาสิ้นภพชาตินี้แล้วขอให้ได้ไปเกิดในเมืองมนุษย์มีสัมมาทิฏฐนะิเป็นตัวรออยู่คือจะได้เห็นผิดจากทางมองของธรรมจะได้มีจิตอิจฉาทิฏฐิอิจาจะได้เบียดเบียนให้มีภาวะชีวิตนี่เป็นเหมือนมนุษย์เขาเป็นนะนะมีเงินมีทองได้ทําบุญทาทานนะ เขาจะที่ฐานไปนี้เพื่อว่าวันหนึ่งจะได้มาเกิดมาบนสวรรค์นี้อีกแล้วแต่ว่าภูมิพบภูมิมันจะสูงระดับไหนนะจาุมยามาดูสิตดาวดึงนิมมานราดีปริมิตสวตัตตีขยับขึ้นไปตามลำดับเราทั้งหลายก็เหมือนกันเป็นเหมือนเทวดา มีความสุขสนุกสบายเทวดาหมายถึงผู้มีอันจะกินนั่นแหละเทวดาผู้มีความสะดวกสบายอยากทําอะไรก็ทําได้เนลมิตเอาได้เป็นสมมุติเทพนะสมมุติเทพก็คือพวกเรามีอันจะกินเนี่ยสมมุติเทพรวมทั้งพระสองฆ์เจ้าที่มีศีลมีธรรมเนี่ยเป็นเหมือนสมมุติเทพ เป็นเทวดาแบบสมมติคนเขานำหน้าถือตามาทาบุญทำทานโดยไม่ได้ทำอะไรอะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าสมมติเทพแต่บางคนก็เป็นอุปาติเทพความสุขความสบายบางทีนี่มันอุบัติขึ้นมาในจิตเราเองโดยธรรมชาติมันอุบัติขึ้นมามันอาจจะเกิดอยู่กับคนย่าจกขอทานก็ได้จิตประเภทนั้นนะแต่มันก็แวบขึ้นมาเหมือนเรามีปีติมีสมาธิแบบนี้ โอ้ย oh, สุขสบายบางทีเราพูดเลย <c oughs> ยังก็ได้ขึ้นสวรรค์ได้อารมณ์มาเนี้ยสบายเน่ยอุปาติเทพปรากฏเกิดขึ้นแต่ถ้าแปลทางโลกๆกก็หมายถึงว่าลูกหลานของเราเองพ่อแม่มันรวยพ่อแม่มันหาว่ามีเงินมีทองอันนี้เป็นรูปประธรรมแต่ลูกเราเกิดมาก็ไม่ได้สบ่ยเลยมันสุขสบายมันเกิดมาอยู่บนกองเงินกองทองก็สบายดี แต่เทวดาพวกนี้จะกลายเป็นเทวดาแบบมิจฉาทิฐิวะเนียดื้อด้านเพราะมันไม่มีการฝึกการหัดมาไงจิตมันมันจะว่ายากสอนยากเทวดาพวกนี้จะประอราลวาตในสวรรค์แล้วมันก็จะตกนรกแต่พอจิตที่เกิดจากเกิดจากอุบัติขึ้นมามันอุบัติขึ้นมาจิตเนี่ย เป็นอุปาติเทศแบบนี้มันจะไปสู่ความบริสุทธิ์ได้นะฮะเขาถมว่เป็นวิญญาณเปรตวิญญาณผีวิญญาณเทวดาอ่าวิญญาณพระอริยเจ้าพระอนาคามีอะไรจิตพวกนี้มันจะอุบัติขึ้นอมาของมันเองอะนะนั้นความโกรธก็เหมือนกันวิญญาณเปรตเนี่ยเวลาเราโกรธเราเกลียด เ, เราลักเราหิวเรากรหายพุทธออกมาเองโดยธรรมชาตินะฮนะ แต่เขาไม่เรียกว่าเทพเท่านั้นเองเขาไม่เรียกว่าเทพโดยอุปัตติแต่สภาวธรรมที่เกิดปิติเกิดสมาธิเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเป็นเทพมาเนี่ยนะคือมีความสะดวกสบายนั่นแหละมีความดีมันเป็นอารมณ์ดีอะไรที่ดีดีอะไรสวยๆงามๆอะ่ะบางทีบางคนยังพูดเลยปัจจุบันเนี่ยไอ้นี่มันหล่อขั้นเทพ อันนี้มันดีขั้นเทพถ้าเป็นนักฟุตบอลก็เท้ามันเนี่ยแข่งขั้นเทพเป็นนักมวยก็กำปั้นชั้นเทพแต่ก็มีอีกสภาวะหนึ่งเขาเรียกว่าวิสุทติเทพคาว่าวิสุทธิเทพหมายถึงสภาวะจิตที่เป็นเทพเป็นเทวดา แบบเข้าถึงได้สาภาวะอันนั้นที่มันบริสุทธิ์เลยวิสุทธิเทพคือสาภาวะจิตที่บริสุทธิ์ได้หมายถึงพระอระหันต์นั่นเองอวิสุทธิเทพเป็นเทพเพราะความบริสุทธิ์ไม่ได้เทพเกิดจากการผุดธรรมดาเนะีเกิดเพราะความบริสุทธิ์จิตมันบริสุทธิ์แล้วเนะ่ยมันเป็นเทพแบบนั้นนะั่นแหละนะเป็นยอดเทพยอดเสียนเนี่ยนะภาษาจีนเขาเรียกว่าเสียนคนบรรลุธรรมอรหันต์เนี่ยเขาเรียกว่าเซียน แปดเซียนนะแปดเซียนข้ามทะเลเป็นเซียนชั้นยอดเซียนนั้นชีวิตของเซียนเราไปศึกษาดูเป็นธรรมชาติมาก ก, ม ก, กินเมล็ดเกเลตามเรื่องนะเป็นธรรมชาติของเขาแต่คุณธรรมนั้นจะสูงแต่ชีวิตถ้าเอาความดีของสังคมโลกไปจับเนี่ยไม่ได้สักอันเลย เขาไม่ได้ดีแบบนั้นแต่เขาดีแบบแบบคุณธรรมเขาที่ควรจะเป็นเราก็เหมือนกันนะ่ะเราศึกษาดูโอ้พระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้อย่างนี้นะท่านลำเลียงมาไปนี้ไม่นี่เทพก็ไม่เที่ยงอย่างว่าแหละเปลี่ยนแปลงก็ไม่อย่างเดียวก็คืออย่าไปยินดีอยากพอใจอ่ะ สิ่งที่ควรทำก็คือเห็นเห็นความทุกข์อันเกิดจากความเป็นเทพเห็นความทุกข์อันเกิดจากการคลองบ้านคลองเรือนเห็นทุกข์เห็นโทษของความเปลี่ยนแปลงอันนี้สิ่งที่ควรทำขั้นต่อไปคืออะไรก็คือฝึกหัด บำบัดจิตนี่เสียให้สู่เข้าไปสู่ในสภาวะที่เป็นวิสุทธิเทพสภาวะที่มันปกติเลยจริงๆเนี่ยให้มันพ้นทุกไปเสียนั่นก็คือพูดถึงเรื่องของเนคขมมะคือการออกบวชการออกบวชอย่างเราเนี่ยออกมาบวชปีหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งแสวงหาทางออกบวชเพื่อให้เกิดความสว่างหรือการชำระจิตของตัวเองจะดำได้น้อยได้มากได้ถึงที่สุดไม่ถึงที่สุดเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่เราให้โอกาสกับชีวิตเราเราเองนะควรจะให้โอกาสกับชีวิตเราไม่ใช่เราเอานั่นเอานี่มาอ้างเอาลูกเอาล้านเอาสามีพัญญาเอาฐานะเอาครอบครัวไ <c oughs> ม่ต้องเอามาอ้างอะ่ะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนะคุยนะ <c oughs> คุยเสียดีที่แท้แพ้กิเลส ยิ่งเราเหตุผลเยอะเท่าไหร่กิเลสก็มากเท่านั้นเนะ่ยเพราะว่ากิเลสคุยไม่ใช่ตัวเราคุยไม่ใช่ธรรมะคุยนะทีนี้อันนี้สองของการออกบวชเนี่ยมันดียังไงอย่างน้นอยๆก็ออกมาเนี่ยก็ได้ปฏิบัติได้ฝึกได้หัดอย่างสถานที่นี้เออ เขามีข้าวให้กินมีคนทําครัวให้มีสถานที่ให้ให้อยู่ให้อาศัยหลายหลายคนนะ่าอาจจะรวยกว่าโยมผ่องพันนี่นะในบ้านในเมืองเราเนี่ยแต่มีคนไหนเนะี่ยทำได้ทําอย่างเขาเนี่ยหลายหลายคนอาจปฏิบัติทำมากกว่าเขาชีวิตเนี่ยแต่คนไหนบ้างมีจิตเป็นแบบเขาได้ นั่นไม่ใช่หาง่ายสังคมหนึ่งหนึ่งนะแล้วทําแบบไม่ได้หวังอะไรไม่ได้หวังลาบยศสารเสริญชื่อเสียงไม่แล้วทํามานี้ก็ต้องมีความพร้อมหนึ่งเงินทองระดับหนึ่งนะสงวัตถุปัจจัยสถานที่ระดับหนึ่งสมครอบครัวสิ่งแวดล้อมมีความพร้อมแม่พี่น้อง 3จิตใจจิตใจที่พร้อมที่จะรับคำติฉินนินทารับความสูญเสียรับความพอใจคนมาเป็นแบบหนึ่งมันไม่ได้ถูกใจมันว่าแบบหนึ่งมันมามันถูกใจเป็นแบบหนึ่งมันเอาไปเล่าหรือว่าแบบนั้นเป็นอีแบบหนึ่งรับได้หรือยังมันเสี่ยงมากพอสมควรนะญาพระที่พามาปฏิบัติธรรมเนี่ยสอนแบบไหนอะไรยังไงจะไปเก็บมาัางไงเอานามาเสนอ เอามาเพื่อสังคมชาวบ้านเราลําพูนเราจะยังไงเ่ยมันไม่ใช่ง่ายเอาคนออกมาจากบ้านเขาเจ็ดวันเนี่ยชวนเข้ามาใช้วิถีเนคขมมะบาลมีมาเพนบาเพ็ญเนคขมมะคือการออกจากกามออกบวชออกมาครองเรือนเนี่ยออกจากกามกามแปลว่าใคร วีชีวิตของโยมของคารวะทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ในกามทีนี้ออกมาจากกามออกมาบวชงดเว้นภารกิจกิจวัตรของคารวะเงินทองเก่าของตำนทำนี้นะเลิกแบบนั้นมันถือศีลพรหมมจันท์นะเนี่ยมันใช้ชีวะปาริสุดที่ศีลชีวะปริสุทธ่ศีลนสนี่มันยากอยู่ไม่ใช่ง่าย ต้องมาจัดสรรต้องลงทุนต้องโน่นต้องนี่มากมายหลากหลายที่สำคัญคือตัวเองก็ต้องปฏิบัติให้เป็นนะเป็นตัวอย่างอีกหน่อยคนนั้นก็ไปว่าโอ้ยทำไมเป็นนี้เป็นอย่างนั้นก็ต้องรับได้ทาใจได้คือตัวเองต้องรู้ตัวเองรนะดับหนึ่งถึงทำาอั น, นี้เป็นไม่ง่ายนะวัดหลายๆแห่งหลายๆที่ในบ้านในเมืองเรายังไม่กล้าทาเลยบทีทำแบบนี้นะ ทำแบบให้คนฝึกจิตฝึกใจจริงๆเนี่ยเอาจริงเอาจังกับชีวิตเนี่ยให้เห็นสีนเห็นทำแบบนี้เนี่ยยังยากเลยดงนั้นมันก็ต้องเป็นจิตที่แบบหนึ่งอะนะที่มันรับได้กับเรื่องแบบนี้นะเพราะทําทำแบบนี้เราไม่ได้มีงบประมาณไม่ได้มีแบบโอ้งานนี้งบประมาณตั้งไว้ที่ท่นนั้นทอนนี้จะได้ท่นนั้นกลับคืนมาทนนี้มันไม่มีแบบนั้นมีแต่เห็นว่าเออ รูปเวทนาสัญญาสังขารเราก็ไม่เที่ยงคนอื่นก็ไม่เที่ยงสิ่งที่เรามีน่าจะเกื้อกูลให้คนอื่นได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจนะเพื่อพระสัทธรรมนี้จะดำรงคงอยู่ได้นานขึ้นอา้าวพระสงฆ์เจ้าก็มีความเมตตากรุณามาช่วยกันบอกกล่าวเน้นนำพร่ำสอนอา้าวคนเขามาบำเพ็ญเนธรรมะ응งด ในกิจวัตรที่เป็นคารวะ ต, ตั้งแต่กายก็ไม่ทําศีลก็เป็นศีลพรหมจรรย์วาจาก็งดเนี่ยดูดิจิตก็ไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งพยายามตัดสลัดปล่อยวางอยู่บ่อยบ่อยให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเนี่ยในที่สุดมันก็จะเกิดการรู้แจ้งชีวิตเนี่ยมันต้องเกิดการรู้แจ้งต้องเกิดการเห็นธรรมเห็นธรรมก็เห็นธรมนธรมชาติของชีวิตที่มันเป็นอยู่นั้น เราเองเกิดมามันทุกข์เท่าเท่ากันเนะี่ยไม่ได้ทุกข์เกิดจากร่างกายเป็นขี้เลื้อนหรือไม่ขี้เลื้อนไม่ได้เกิดจากมีเสื้อผ้าหน้าแพสวยๆเงาๆไม่ได้เกิดจากกรรมพันธ์มีเนื้อหนังดีคนนี้ไม่ดีคนนี้เตีย้ยคนนั้นคอมคนนี้ผิวดาผิวขาวคนนั้นลารวยมียอดฐานบริสังไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่ความคิดล้วเป็นอะไรเรามายึดติด เราสวยแล้วก็ยึดติดความสวยงามก็ยึดติดความงามขี้ฤิขี้เหล่ขี้เรื้อนแล้วก็ยึดติดความขี้ฤิขี้เหล่ติดขี้เรื้อนติดเป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นอุปทานฉนั้นมาปฏิบัติธรรมออกปฏิบัติธรรมเพื่อการสลัดการตัดการวางการมาเฝ้าดูมาภาวนาให้เห็นตามความเป็นจริงในขมะภาวนาเมฆขมะจารีผู้ชายในขมะจารีจารินีผู้หญิงมาเฝ้าดู เมื่อเราปล่อยวางได้หเห็นแจ้งตามความจริงทุกมันก็สลัดปล่อยวางความสว่างทางจิตก็เกิดขึ้นก็แจ่มแจ้งทุกมันก็หายไปใจก็ตื่นเบิกบานขึ้นมาพอเรามาถึงแค่นี้ก็หมดเวลานะพอท่านเอวัง ญาติโยมทั้งหลายก็กราบพระนะพอเขากราบพระเขาก็กลับบ้านพระพุทธเจ้าท่านก็นั่งฟังนั่งฟังที่ทันเทศทันเทศในคนฟังเขาก็นั่งตั้งใจฟังเขากลับบ้านออกไปแต่ว่าสุปปุทธะเนี่ยเขานั่งฟังแบบตั้งอกตั้งใจมากเขาไม่ได้สนใจในประกิติกิริยาของชาวบ้านที่ลุกไปเขารอให้ชาวบ้านเขาลุกออกไปก่อน เขาได้ยอยไปพระพุทธเจ้าดูก่อนสุปปุษะ ธ, ธรรมะที่เรากล่าวเธอมีความเห็นเป็นยังไงเขาก็อค่อยคืบคลานเข้าไปฮะพระพุทธเจ้าหลังจากชาวบ้านเขากลับไปแล้วท่าำการเข้าไปธรรมะที่พระพุทธเจ้ากล่าวนั้นรู้สึกว่ามีความไพเราะเพราะพริ้งมาก ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรสว่างขึ้นมาในใจอ่ะจิตสว่างจิตตื่นเต้นแจ่มแจ้งขึ้นมาเหมือนเปิดของที่ปิดเหมือนไงของที่คว่าเหมือนข้าพเจ้าได้ประทิบส่องสว่างเหมือนได้ไฟฉายเหมือนข้าพเจ้าอยู่ในที่มืดมานานแล้วมีคนยื่นไฟฉายยื่นประทิบแสงสว่างให้แล้วข้าพเจ้าส่องไปได้ว่าข้าพเจ้าไปเดินไปทางไหนอ่ะ เหมือนมีคนที่มาบอกให้กับข้าพเจ้าในขณะที่ข้าพเจ้าหลงอยู่ในป่าใหญ่รกทึบเงียบเงาว้าเวไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยมันเป็นความสะพึงกลัวแบบหนึ่งอยู่ๆก็มีคนหนึ่งมาบอกว่าไปทางนี้ไปทางนี้สภาพจิตของข้าพเจ้าที่ได้รับจากพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์เมื่อตะคู่นี้มีความรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นพระเจ้าค่ะ ข้าพเจ้าเกิดสว่างขึ้นมาในใจอ๋อเธอเป็นอย่างนั้นนะสาธุพระเจ้าเธอสว่างแล้วเธอเห็นแล้วเธอเป็นผู้มีด้วยดวงเป็นผู้ได้ดวงตาแล้วแต่ชาวบ้านได้อะไรไม่ได้อะไรนะมีแต่รอจะกลับบ้าน มีแต่ความทุกข์มีแต่ความห่วงที่หลับที่นอนหมอนมุ้งมีแต่ความห่วงลูกห่วงล้านห่วงครอบห่วงครัวแต่เขาก็มาฟังเทศฟังธรรมตามประเพณีแต่สุภัตสุภา พ, พุธะเนี่ยตั้งใจเขาไปฟังตงวโยเธอหายโรคแล้วโรคของเธอหายแล้ว เธอไม่มีจิตที่เกี่ยวพันกับโลกเธอได้แล้วสุภาพพุท ธ, ธดีใจน้ำตาไหลจิตที่ด้วยความยากจนชีวิตที่เหมือนไร้สาระมีแต่โลกมีแต่ภัยเกี่ยวพันอยู่ความอึดอัดขัดข้องมองใจความต่ำเนื้อน้อยใจในชีวิตเนี่ยได้หลุดออกไปจากใจอะ่ะเขาหลุดออกจากจิตนนี้จิตเขาตื่นเขาสว่างไง ก็เดินออกไปเดินกลับบ้านเดินไปเดินไปเดินไปเดินไปคนเดียวแต่ตามภาษานะ่ยคนที่เสื้อผ้ารกลงหลังขาดก็ล่องกระเลงไปกลางค่ำค่ำคืนคืนเนี่เดินกลับบ้านไม่ได้พักอยู่ในวัดเดินไปคนเดียวเพราะเขากลับหมดแล้ว เดินกลับไปบา้านเดินไปเผอิญว่าในป่านะี่ยมันมีวัววัวที่มันมาหากินหาอะไรวัวมันก็อยู่ตัวตัวไป น, ะ น, นี่ยมันนึกว่าตัวอะไรเดินคลอมคล่อมดมดอมอ ม, อ ม, อ ม, มองมองเดินกระเสือกกระเสืออ่องตามภาษาคนแก่มามันเลยพุ่งกระโดดมาชนผิดตายตอนเช้าพระพุทธ อ, องค์ไปบินทบาต เขาก็เล่าลืออิตาขี้เรือนขอถานเมื่อคืนเนี่ยที่ไปฟังธรรมะพระพุทธเจ้ามันออกมาที่หลังแล้วมันไม่มาพร้อมกับเพื่อนเขาโดนวัวขีด ต, ตายเล่าลือมาพระสองฆ์องค์เจ้าไปบิณฑบาตกลับมาเขาก็เล่าลรือมาคุยกันนะเอาบาทมาวางไว้อย่างนี้แล้วก็ไปคุยกันว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็เดินลงมาท่านจะเตรียมมาฉัน ปีสุตั้งหลายเธอคุยอะไรกันหรือหนอมีเสียงอื้ออึงกันจังอ๋อข้าแต่ พ, พ, พ, Law, พ, พะระองค์ผู้เจริญพวกคัาภรเจ้าพันงายไปบิณฑบาตได้ยินเขาเล่าลือกันว่า classified. สุภพุทธาชายชราขอทานหน้าตากระเซาะกระเซิงผิวพันหยาบกล้านไปด้วยขี้เลื้อนนั่นน่ะถูกวัวขวิดตายอยู่ข้างนอกเขาเป็นอะไรเหรอ อยากเรียนถามพระพุทธองค์นะ่ยอยากกราบทูลถามว่าคติของเขาจะเป็นยังไงเขาตายแล้วเนี่ยเขามาฟังธรรมเมื่อคืนเขาเป็นยังไงบ้างพระเจ้าค่ะสุภพุทธะเขาเป็นคนหายโรคเขาหลุดพ้นจากเครื่องผูกพันสามประเภทได้แล้วเขามีความสว่างสวัยทางจิต นตัวสักยายทิฏฐิตัวยึดมั่นหรือมั่นในกายกูตัวกูในความเป็นขี้เลื่อนในอัตตาตัวเขาได้สลายไปแล้วเขาตัดขาดไปแล้วเครื่องผูกพันเชือกเส้นที่หนึ่งนีลุดออกไปจากจิตเขาสองวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์ในอริยสัจเขาดับไปแล้วตัดได้แล้วไม่มีความสงสัย เป็นเครื่องผูกมัดจองจําจิตใจเขาอันที่สวิจิกีสีพรพตาปรามาตความยึดมั่นหรือมั่นความงมงายความคิดว่าชีวิตนี้เกิดมาเป็นพ่อด้อยวาดสนะไม่ได้ทําบุญทำทานไม่เป็นเขาถูกตัดไปแล้วเขามีได้ความตื่นนั่นเครื่องจองจําชีวิตเขาสามเส้นอ่ะเนี่ยถูกตัดขาดแล้วนั่นคือสภาวะจิตที่ถึงความเป็นโสดาบันเขาได้ปรากฏเกิดขึ้นแล้ว สภาะวะจิตเขามีสุขติพบนะเขาจะได้บรรลุอลหรหันต์ตอนนี้เขาก็อยู่ในพรหมโลกท่านพูดพิสุทั้งหลายกล่าวสารเสริญสาธุพนะระบางองค์อํำอำมืองึงที่จะถามต่อ พระพุทธเจ้าท่านก็จะเดินขึ้นสราพระองค์งก็ถามก็ขอถามอีกหน่อยได้ไหมครับเธอมีปัญหาสงสัยอะไรเหรอคือข้าพระองค์ใคร่ทราบบุพกรรมของสุ ป, ปพุทธเนี่ยถ้าไม้เขาถึงเป็นขี้เรือนเนี่ยเขาทำบุญทำกรรมอะไรไว้้าพระเจ้าใคร่ขอทราบ ถ้าบ้านเราเนี่ยก็เรียกว่ามันไม่อาบน้ำเกิดมาจนมันสปกปรกมันเป็นแบบนัไม่มบุปกรรมก็คือแบบนั้นนะแต่ในตำรากขั บ, บอกว่าสมัยหนึ่งสุภพุทธะเนี่ยในอดีตชาติเขาเกิดเป็นลูกเศรษฐีเป็นคนร่ำรวย ชอบเที่ยวเป็นคนเยอหยิ่งจองหองชอบดูถูกกว่านั้นกว่านี้มากชีวิตเขาวันหนึ่งเขาเดินทางไปเที่ยวกลับมาบ้านไปเห็นตอนเช้าพระอาจารยสิขีปัจเจกกับพุทธเจ้าเป็นพะระปัจเจ ก, กับพุทธเจ้าเป็นพุทธนะ หนึ่งสัมมาสัมพุทธะตัดสรู้ชอบได้โดยตัวเ อ, เองและสอนคนอื่นได้สองปัจเจกพุทธะรู้แจ้งแต่สอนคนอื่นไม่ได้สามส า, มสามวกพุทธะหรืออนุพุทธะ ร, รู้ตามพระพุทธเจ้าไม่ใช่รู้ด้วยเองนะอย่างพวกที่รู้เองคืออยู่ตามโรงตามปา่าปฏิบัติธรรมเกิดรู้แจ้งแต่สองคนอื่นไม่เป็นเนี่ยเขาเรียกว่าพะระปัจเจกอันนี้ก็เหมือนกันอนจนารย์ศิคีพุทธเจ้าท่านบรรลุธรรมท่านเสด็จดำเนินออกไปบิณธบาต ไอ้เศรษฐีน้อยนี่มันเห็นน่สมณะหัวล้นไม่มีการมีงานตื่นมาอุม้มแต่บาทมือหัขอทานไม่ทำงานก็อยากกินกับเขาดิทำไมต้องมาขอด้วยสกรปรกก็ท้งนั้นขณะที่คนอื่นกำลังใส่บาทจะไปยืนด่าทอน ดูอย่างข้าดิกว่าจะได้มเป็นเศรษฐีเนี่ยข้าขว้นขวายพ่อแม่ข้าทำการทั้งวันข้าก็ช่วยเหลือแต่ท่านไม่มีการมีเงนินไม่ได้ทำอะไรแต่ก็อยากกินผ้าของพระสมณะเนี่ยก็จะเป็นผ้าปังสุกุลเนี่ย ผ้าสกปรกเก็บตามศพต่ออะไรมาเย็บต่อกันบางทีก็ได้มาพันชิ้นชิ้นอะ น, น้อยเท่าข้อมือเท่าฝามือเท่าอะไรเย็บต่อกันไปดูสปกปรกไรสาละเนี่ยเหม็นจะตายไปวันต่อไปจะมาบินบาดแถวนี้นะเขตเนี่ยบ้านฉันเนี่ยพวกนี้ลูกน้องทั้งนั้นลเลยนี่ยทำบุญนะวันพรุ่งนี้ไม่ต้องมาใสบาตแถวเนี้ยไม่ต้องใสให้มัน ไม่นํำซ้ำยังขาดสเสด็จทุนน้ำลายใส่อีกใส่พระประจิคุณเทีาแต่ท่านไม่ได้มีจิตอะไรด้วยอานน้สงบาปกรรมบั้นะพอมาเกิดในภพนี้สัวรพุทธจาจึงเป็นขี้เหลือและไม่มีวันหายเนะต็มตัวแต่เกือบ เกือบที่เขาจะไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้เห็นสัจธรรมแต่เขายังมีบุญอยู่บ้างยังได้เป็นโสดาบันแต่ด้วยอานิสงส์ที่เขาทำหนักเกินไปพระบรู้โสดาบันนั้นก็ต้องถูกอัวขิดตายกรรมเขามากเราทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมในะที่นี้นะ ลงตาเองก็อยากให้เรามีความรื่นเริงบันเทิงในธรรมเป็นผู้อาทฐานในธรรมเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถอย่างรู้ในธรรมอยากให้พ้นทุกข์นะจึงพยายามที่จะให้เราทั้งหลายนยมีสติมีวิริยะมีสุตตะ มีคายะมีวันเวทัน ล, ละ mm hmm. เพื่อมาพัฒนาองค์ธรรมในตัวเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอยากให้เราทั้งหลายมีพบนี้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่ม่ได้มุ่งไปสู่สัจธรรมมุ่งไปสู่การรู้แจ้งเห็นจริงในพระสัจธรรมคำสอนของพระเจ้า mm hmm. อย่าเป็นบุคคลที่เกิดมาแล้วทำเป็น ทัาพีไม่รู้รสแกงเป็นมดแดงไม่ได้กินมะม่วงนะอยู่กับพระศาสนาะนับถือศาสนาพุทธอยู่กับพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นเหมือนบุคคลที่เลี้ยงโคให้เจ้านายแต่เขาก็ไปขายให้ผู้อื่น เป็นผู้เลี้ยงโคแต่ไม่ได้กินเนื้อโคเป็นทัพพีแต่ไม่รู้รสแกงเป็นหนังสือเป็นตำรับตำราแต่ว่าไม่ได้ตัวบรรลุธรรมอยาให้เราได้รับรสพระสัตธรรมเกิดมาพบภูริศาสนาเราทําให้มันเกิดในจิตในใจให้เกิดปัญญานะแล้วเมื่อ น, นั้นศาสนานี้พุทธธรรมนี้ธรรมวินัยนี้ จะจันหลงสถิตสถาพรอยู่กับชาวลำพูนเนี่ยอยู่กับพวกเรานี่แหละเราทั้งหลายทั้งปวงเหมือนเทียนเล่มนึงถ้าเราจุดติดคนนั้นก็มาต่อเอาโอ้ยไ้ปฏิบัติธรรมาทำให้สบายใจจังหน่ะไม่ทุกนเนาะเล่าต่อคนนั้นฟังคนนี้กิปฏิบัติต้องรู้สึกตัวที่จะเข้าไปในความคิดนี่คือการเยผยแพร่ธรรมะพูดให้ฟังทาให้ดูอยู่ให้เห็นช่วยให้คนตื่นตัว ตื่นที่จะออกจากทุกตื่นออกจากความคิดความพรวงแต่งเมื่อนั้นศาสนานี้ก็จะเจริญแต่ถ้ายิ่งจะให้ดีนะเราพัฒนาอีกตามความสามารถตามสติปัญญาของเราเท่าที่มีนี่แหละนะไปได้ในสังคมที่กว้างขึ้นไปเรื่อยๆ มันก็จะเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์ประโยชน์ตนเองก็คืออัตตประโยชน์นะประโยชน์ท่านคือป ร, รัชญาประโยชน์นะประโยชน์ย่่งยิ่งก็คือพระนิพพานนะคือประโยชน์ต่อพระศาสนาต่อโลกต่อชีวิตทั่วๆไปนะการเข้าถึงธรรมเนี่เราตั้งหลายควรจะมีควรจะเป็นภาวะแบบนั้นนะเขคิดว่าแสดงธรรมเทศนาให้ได็กๆได้ฟังมาวันนี้ สามทุ่มพอดีนะคิดว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างตา ม, มภาวะอันสมควรของอธรรมัตสวนังอตงาาิตามังคลมุตตามังด้วยประกาศละชนีกราบพระพร้อมกัน